เลริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาใครมีความสนใจอยากจะเข้ามาถามตอบค ำ, ถ า, คำถามก็เชิญเข้ามาได้วันนี้บุคคลแรกก็เชิญเคยคือเด็กชายนักคุณ ทักคุณอาจารย์ครับอาจารย์ง่ายไงดือดไม่เดือสโนไม่สซนโอ้ โ, โหเป็นไงคะดีมากดีมากเลยโซนมากเหรอดีมากนี่ไงเดือดอมากบางทีสซนครับอาจารย์เออบางทีนี่กี่ครั้งทั้งวันเลยใช่ไหมคุย ด, ดีดีกัน ลองลองค่ะจะดีๆแบบนี้อือฮน่ารักน่ารักอ อ, อโอเคการตการกับ้ายาอ่เป็นเด็กดีนะเชื่อฟังคุณแม่นะนี่อาจารย์บอกว่าอะไรน้ำเนิน้อาจารย์บอกว่าน้ำเด้กหมคะอาจารย์บอกว่าอะไรเชื่อฟังคุณแม่ใช่ปะใช่ปะคะชได้ไหมคะไ ด, ไะได้โอเคครับอากาศนมาสักการก่อนครับ ค่อนจะมาสรรกรการ์พระาอาจารย์อาอาจารย์ียนหนังสือให้เก่งๆนะเก่นไหมครับเหนือหมดมไไหรือยังเก่งไหมครับเก่ครับก่อนสักการ์พะอาจารย์ไม่สบายอยู่ค่ะพระอาจารย์ถูกชั้นกลางอักเสบอืมอเจ็บไายได้ป่วยเป็นธรรมดาค่ะอ่มีอะไรไหมหนูไม่มีคำถามค่ะพยายาม ไมมีก็ไปที่ไปที่จแมัแจจัที่ต่อเลยอ่าจามัมม<อ>จน้อมัสการศาสราจารย์ครับอ่าเป็นไงครับวันนี้มาสมัคนมาแล้วก็รายงานการนั่งสมาธิครับนั่งได้นานเท่าไหร่สามสิบนาทีครับทุกวันเลยใช่ครับโอเควันหลังต้องให้มานั่งพิสูจน์หน่อยใช่ไหมนั่งโชว์คน อ, อื่นตา นั่งได้ไหมอ่าไม่เป็นไรเวลามาฟังเทศนี้นั่งนั่งนั่งฟังตลอดหรือเปล่าเวลาที่มาที่วัดเนี่ยเวลามานั่งฟังเทศนั่งฟังตลอดเลื่ลุกไปลุกมาตอนั่งฟังตลอดครับไม่ได้ลุกอยู่เลยไม่ได้ลุกฟังโอ้เก่งนะครับอ่ออาก็ ครับตอนนั่งสมาธิก็คือใช้พูดโทลัวๆครับอืมเป็นยังไงดีไหมก็ส<ะ>ังเกตได้ว่าถ้าเกิดเราพูดโทอยู่เราจะไม่คิดครับแต่ถ้าเกิดเราคิดพูดโทก็จะหายอืมที่หายเพราะเราหยุดคิดใช่หแล้วเราหยุดหยุดพูดโทใช่ไหมใช่ค<นา>ถ้าเราไม่หยุดความคิดก็ไม่เข้ามานะครับแล้วพยายามฝึกพูดโทไปเรื่อยๆนะครับ<นา> โอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับเราจะส่งไปบ้างครับอืมยตีมีอะไรบ ะ, ะางก็ส่งไปบ้างด้วยครับช่าเรส่งมาเลยว่ามาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดา <I _ Of> จะลงพ้นความตายไปไม่ได้ เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องปัดปล่อจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแย่เกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่ป่งอาสัยร <อ S 1> เราทำกรรมบันไดไว้<อ>เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรม น, นั้นนับเสีไป เราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันจันทันเธอแล้วร่างกายเรามี อ, อะไรบ้างมะมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับขังปือไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสัน น้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมนเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมนเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเงือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล น้ำดีเย่ในสมองฉีอสัอาหารเก่าอาหารใหม่ไ้น้อยไ้ใหญ่ปอดไตทาเผื่นตับหัวใจใ<น>ม้าเย่ในกระดูกกระดูกเอน็นเนื้อหนังฟันเล็บข น, นผมสวยงามไม่ร่างกายไม่สวยงามครับ อ, อย่ามีแฟนนะ ถ้าว่าไม่สวยงามครับเอออ่ามีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครั บ, บไม่มีก็ท่านี้ก่อนนะครับเราขอบคุณป้าจานครั บ, รบปไปที่น้องทิมกับคุณแม่ฝนใช่ป้าจานอันนี้คุณป้าไม่อยู่เลย คุณพ่อไปวิ่งที่ชนบุรีแล้วค่ะพระอาจารย์นี้ปกติคุณพ่อไม่ได้อยู่อยู่แล้วค่ะนานจะได้อยู่ตรงกันสักทีหนึ่งอะค่ะพระอาจารย์ค่ะให้น้องกินก่อนก็ช่วนี้ก่นสมาจิจันังค้าพุทพลนะแล้วก็สุกบางครั้งครับทำไมมันสงถึงไม่ได้นั่งมาเที่ยเท่นกันนะอ้ะุกสาวที่นี้ขอเด่นนะ ก็ยังดีได้สี่วันครึ่งนะสี่วันห้าวันต่อที่นัง่งในนานไหมยังไดประมาณห้านาทีครับใช้วิธีจับเวลาวะคะ่ะพระอาจารย์ห้านาทีก็ยังก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่พระอาจารย์ว่าเป็นอย่างนี้ใคเริ่มต้นเริ่มต้นก็ต้องอย่างนี้ไปก่อนเอามาให้นั่งให้ได้ก่อนนิ่นเม่นิ่งยังไม่ไม่เป็นไร ตอนนี้ก็ใช้วิธีพยายามก็ต้องแก้กึ่งมังครับตอนนี้เหมือนต้องเป็นให้เป็นฝึกให้เป็ น, ป น, ปนรูทีนนะคะพะอาจารย์ mm hmm. ว่าต้องมาสวดมนต์นั่งสมาธิแบบกับให้ทําอย่างนี้เป็นรูทีนนะคะพะอาจารย์พยายาม mm hmm. ใจเขาฝึกตอนนี้ตอนนี้เริ่มเข้าเข้าสเตปเป็นรูทีนแล้ว mm hmm. แล้วก็วันวันพุธก็จะได้เข้าซูมกับให้มาฟังอย่างเมื่อกี้นี้ค่ะเขาฟังพี่จะมาจจตี้ทองใช่ไหมคะแล้วเขาเขาฟังหลายครั้งแล้วเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเราอ่ะค่ะ เขาก็เลยต้องทิ้ถามสิลูกมันจะถามแล้วทําไมต้องท่องย้อนไปย้อนมามันจะได้จําได้ง่ายขึ้นไงเพราะว่าเวลาท่องย้อนจํำนี่มันยากใช่ไหมต้องใช้ความพยายามมากต้องนึกมากขึ้นยิน่งนึงมากขึ้นก็ยิ่งจะจําได้ง่ายขึ้นมากขึ้นครับคือเหมือนเขาอาจจะไม่เข้าใจด้วยว่ามันทําไมต้องท่องอะไรแบบนี้ยค่ะอ า, าจารย์ก็เหมือนกับนู่ท่อกไก่ทําไมต้องท่องกอไก่เขาขาย ออาในหนันงสือเอาไว้เรียนให้พูดได้ครับอะจะได้จําได้ใช่ไหมถ้าไม่ท่าไว้ก็จะจําไม่ได้เวลาเห็นตัวหนังสือก็อ่านไม่ออกอ่านไม่เป็นใช่ไหมแต่ถ้าทําไว้ก็อ๋อเขาไก่ออกเสียงอย่างนี้สะอสระร์ออกเสียงอย่างนี้พอผสมกันก็อ่านเป็นกะกาไปออันนี้ก็เหมือนกันท่องไว้บ่อยๆต่อไปเราอยากจะรู้ว่าร่างกายของใคร แล้วก็จะรู้ทันทีเลยว่าร่างกายของใครข้างในเป็นอะไรอย่างไรจำไว้ครับจำไว้นะดีครับเคยเห็นไหมเคยเห็นเคยเห็นอาการต่างๆในร่างกายไหมเคยเห็นมีหนังสือให้ดูไหมใชครับช เ, เลยนะหนังสือร่างกายของเราอ๋อก็ไม่สอนอยู่เหมือนกันเลย ไม่ค่ะพระเจคือคงเหมือนเลยเคยเรียนขขศึกษาค่ะกบบร่งางกายของเรามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระเจ้ค่ะดีทําความรู้จักเป็นความรู้ <c oughs> เราจะได้ไม่หลงบางคนเชื่อว่าร่างกายนิ่ตันเป็นร่างกายข้างในไม่มีอะไรเลยน <c oughs> ี่มีอะไรอยากถ่ายไห <c oughs> มนีม่ค่ ะ, คะอ่าไปฟอนกันะเอ่ า, อา ก็ขออนุญาตกลับเรียนพัดคดีเสียงหายเพราะว่าไเป็นกล่องเสียงอักเสบของอาจารย์ต้องขอไปเดี๋ยวอาจจะคุยอาจจะมีสะดุดไอนิดนึงค่ะว่าอาจารย์เอวยคือหนูจะมีเอ่เรื่องมากลับเรียนพระอาจารย์ค่ะว่าที่หนูตั้งเป้าไว้ว่าปีเนี้ยค่ะจะนั่งสมาธิตั้งเป้าไว้สี่สิบนาทีค่ะพระอาจารย์หนูทําได้แล้วนะคะพระอาจารย์ หลังจากที่วันนั้นวันพุทธที่แล้วเข้าคุยกับพระอาจารย์เสร็จแล้วพระอาจารย์สอนว่าคือถ้ามันไม่ก้าวหน้าก็อย่าให้มันแย่ไปกว่าเดิมอะค่ะหนูก็กลับไปนั่งใช่ไหมคะแต่วันนั้นน่ะหนูก็นั่งได้ไม่ดีเลยค่ะเป็นเป็นวันที่นั่งแบบอาจจะได้น้อยที่สุดเลยแบบสิบว่านาทีเฮ้หนูก็ไ ม, ไม่ไม่ก็ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วก็เลยวันก็มาฝึกนั่งใหม่ค่ะก็ฝึกสติให้เพิ่มมากขึ้นนะคะพระอาจารย์แล้วปรากฏว่าอยู่ก็นั่งไปแบบ นั่งไปแล้วก็แต่ไม่ได้อันนี้มั่นใจมากว่าไม่ได้หลับหรือสับประงกเลยค่ะเพราะว่าจะอยู่กับคําบริกรรมตลอดแต่ว่าจะเปลี่ยนคําบริกรรมไปเรื่อยๆเพราะเหมือนพอใจมันเริ่มไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็คําบริกรรมนี้มันเอาไม่อยู่อะค่ะก็จะเปลี่ยนไปอค่ะพระอาจารย์จนสุดท้ายหนูมารู้ตัวอีกทีหนึ่งมาดูนาฬิกามันผ่านไปห้าสิบหกนาทีแล้วค่ะพระอาจารย <laughs> ์เออก็รู้สึกว่าเอมันก็ เป้าที่เราตั้งไว้มันก็สักเซสได้ในระดับหนึ่งนะคะพระอาจารย์ก็อยู่ที่สติของเราถ้าเรามีสติมันก็นั่งไปแล้วมันก็เพลินมันไม่รู้สึกนานเมันก็เวลาฟังเทนก็ฟังไปมันก็เพลินก็ไม่รู้สึกเวลาผ่านไปช้าแป๊บเดียวก็จบแล้ว นั่งถ้านั่งเฉยๆนี่เดี๋ยวคอยดูนาฬการนยนาทีหนึ่งสองนาทีก่อนจะผ่านไปรู้สึกมันนานเหนกันนะฮะงเวลานั่งต้องมีอะไรให้ใจทำต้องมีพุโทโธเนื้ออาการสาสิบสองนาี้ทาทุกขังนั้นตามเนือส่วนบนอะไรไปก็ได้สลับกันไปถ้ายังไม่สามารถอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวได้ก็เปลี่ยนไป วันนั้นก็ใช้วิธีที่พระอาจารย์สอนนะคะว่าเปลี่ยนคือก็เปลี่ยนไปตลอดเลยค่ะก็คือจากแบบพุทโธธรโมสดังโคไปแล้วอะไรก็แล้วก็ เ, กเอจนจนสุดแล้วก็ไปท่องคาถามงคุลพระพุทธเจ้าอิติปิโส ว, วิเศเสอีอะไรเงี้ยค่ะจนสุดท้ายไปจบที่นัตถสันติปรังสุขขังค่ะแล้วรู้สึกว่าเออเราก็เป็นการเตือนตัวเองด้วยว่าความสุขที่เหนือความสงบไม่มีแล้วแล้วมันก็เลยทําให้ใจรู้สึกว่า สงบสงบอยู่กับคำบริกรรมอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยไปได้ได้เรื่อยๆอะค่ะพระอาจารย์นี่ก็ต้องดูว่าจะทําต่อไปได้ไหมนะค่ะ <ca> ก็ลองมาสามวันนะคะพระอาจารย์ก็เอ อ, อีกวันหนึ่งก็นั่งไปได้ประมาณสี่สิบสี่สิบเอ็ดนาทีมาคะ่ะและะว้วเมื่อวานนี้ลองนั่งแต่มันเริ่มถอยลงอะเมื่อวานก็เหลือสามสิบเก้านาทีแต่ว่าเ อ, อเดี๋ยววันนี้ก็จะไปฝึกต่อนนะค่ะก็ก็จะ พยายามฝืนตัวเองว่าเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าจะจะมากจะน้อยอยังไงก็ต้องต้องฝึกพยายามนั่งให้ได้ทุกวันนะคะพระอาจารย์พยายามอย่าไปคิดถึงเวลาคิดถึงอะไนะาฬิกายิ่งคิดมันก็ยิ่งอยากจ ะ, อ, ะอยากจะดูว่ากี่นาทีนะค่ะใช่เจ้าค่ะปล่อยให้มันดังขึ้นมาเองถ้าเราอยากจะตั้งนาฬิกาก็ปล่อยให้มันดังขึ้นมาเองถ้ามันยังไม่ดังเราก็ไม่ต้องไปดูมันค่ะ แล้วกลั ว, ออว่าเดี๋ยว เ, เครื่องมันเสียมันจะไปก็เ <laughs> ค <laughs> คิดอย่างนี้เหมือนกันเอ๊ะเราเปิดเลยยังแต่ว่าของเอ่าพอตอนตอนแรกใช้วิธีเซตอัพว่าสี่สิบนาทีเราเหมือนที่พระอาจารย์พูดเลยค่ะว่ามันจะไปพวงกับเรื่องเวลาคราวนี้ก็เลยไม่เซตอัพเวลาละแต่ใช้ปล่อยวิธีจับเวลาเอาค่ะจับเวลาว่าเรานั่งไปได้นั้นถึงอ <Maxim> um ไม่ได้ก็<ช>แล้วกันค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยค่ะว่ามันเพลินฮะรู้สึกว่า ปป๊บเดียวอ่ะก็ไม่ไม่ใช่แั๊บเดียวแต่ไม่ได้คิดว่านานขนาดนั้นน่ะไม่ได้คิดว่านานขนาดว่าเป็นถึงแบบสี่สิบกว่านาทีหรือว่าเกือบชั่วโมงไม่ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะคะพะอาจารย์ก็ดีว่าแป๊บยงคิดว่าเออเราเนได้แค่แป๊บเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบแค่สักครึ่งชั่วโมงนะค่ะพอไปดูเวลาแล้วก็เออตกใจเหมือนกันนะคะพอาจารย์ ก, ก็ก็ก็ค่อนข้างดีใจค่ะก็เลยมากราบเรียนพระาจารย์ค่ะ ก็ต้องพยายามรักษาระดับไว้ให้ได้กันแล้วกันนะค่ะเือทำให้มีกำลังใจค่ะอยากจะเก็เมนเทนรักษาต่อได้ ค, ค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ก็มีเรื่องกราบเรียนเท่านี้ค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวก็ฝึกเมนเทนต่อไปค่ะอาจารย์โอเคค่ะขอข อ, อนุโมทนาด้วยนะค่ะกราบขอบพระคุณด้วยค่ ะ, ะน้องพีต่อน้องพีคุณนม่ยอยู่ห่า น้องเพได้ยินไหมน้องเพปิดกล้องเลยเลยมืดดำมืดเลยอ่าเปิดกล้องมาเปิดเสียงโอเคได้เลยมเมื่อกี้สารหลุดไปไหนยังยังไม่ยังไม่มีกดออเดอร์ค่ะ มีอะไรไหมวันนี้น้องพีไม่มีนะคะนั่งสมาธิหรือเปล่านั่งสมาธิหรือเปล่าสวดมนต์อย่างเดียวค่ะอทุกวันหรือเปล่าอะไรนะค่ะทุกวันหรือเปล่าลูกเกือบพกไว้ครับเกี่ยวะทำไมเกีือบอะมันต้องทุกวันเลยครับบางทีเมื่อเมื่อวานนี้หนูไม่ได้พาเขาขึ้นนอนค่ะใเขาขึ้นนอนเองหนูก็เลยให้สวดตอนเช้าค่ะอ ค่ะแต่คืนนี้หลังจากนี้ก็ต้องสวดต่ อ, ององเนาะนั่งสมาธิก็โอ้ยอินออดปวดนู่นปวดนี่กิเลสมันย่นยงน<ป>ี<ป>้ก<ะ>ิเลสมันไม่ชอบอยู่เฉยเฉยเราพยายามฝืนพยายามต้องหุ้ทโทอไปสวดมนต์ไปไปงกพับสิลบ่ค่ะมีอะไรจะถามไหม ไม่มีจ้กพ่อมืดมืดไหมคะมืดไหมคะนั่นแต่ที่บ้านไม่มีไฟแลแล้วปิดไฟเลยอ่ปิดไฟยังอยู่เปล่าไม่อยู่แล้วนะไม่ไม่อยู่แล้วฮะโอเคไม่อยู่ท่านต่อไปก็คุณคุณหมอพิเชษเช่เป็นหมอเก่ารัมัสการพระอาจารย์ครับ ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายธรรมะคือสมบัติและทิพย์พึ่งที่แท้จริงของเราก็ธรรมะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาติดตัวเราไปได้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่สามารถเอาทรัพย์สมบัติของร่างกายไปได้ทััพย์สมบติเงินทองเข้าขอ ง, งตา่างๆคอนโดรถยนต์ทองคําหรืออะไรเหล่านี้ เป็นของที่มันอยู่ในโลกนี้เป็นของคู่กับร่างกายว่าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินสมบัติเหล่านี้ได้แต่ธรรมะเนี่ยที่เราปฏิบัติกันเนี่ยมันจะเป็นสมบัติเพราะมันจะให้ความสุขเหมือนกับว่าเหมือนกับเรามีสมบัติไปไปซื้อของต่างๆมาให้ความสุขกับเรา เเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราอยู่ในโลกทิพย์สิ่งที่เราจะใช้ได้ก็คือธรรมะคือบุญกุศลต่างต่างตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลตั้งแต่สมาธิปัญญาเนี่ยธรรมะเหล่านี้จะให้ความสงบให้ความสุขกับใจตามขั้นตอนของเขาขั้นต่ำก็ทานขั้นสูงต่อมาก็ศีลศีลกับทานนี่อยู่ด้วยกัน สิลนป้องกันไม่ให้เราตกต่าไม่ให้เราไปนับใช้กรรมไม่ไปอยู่ที่อามายสนทานก็จะทำให้เราไปอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพแถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิได้เราก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมแล้วถ้าเรามีปัญญาหับกิเลสได้เราก็จะไปอยู่สวรร์ชั้นนิพพานชั้นสูงสุดที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด แล้วก็ไม่มีความทุกข์น้องเหลอยู่ในใจสว่รค์ชั้นอื่นยังมีความทุกข์อยู่ผสมกันไปมันว่าสวร์ชั้นอื่นยังเสื่อมได้ชั้นเทพก็เสื่อมกลับมาพ้องมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ชั้นพรมก็เหมือนกันมีชั้นน่ะนิพพานนั้นเองกับชั้นผ้ารียกเจ้าที่ยังไม่เสื่อม เช่นชั้นผ้านาคาเมีร์นี้จะไม่เสื่อมลงมาเกิดเป็นมนุษย์เลยยังติอยู่สวรรค์ชั้นพรหมอยู่แต่ถ้าเป็นนิพพานนี่เป็นพออาาระอรหันต์นี่จะได้สวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานนี่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีการเีิดว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราเรียกนิวรธรรมะเป็นทรัพย์ภายในเป็นที่พึ่งของใจ เพราะว่ามีธรรมะแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรถ้าจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายถ้ายังมีร่างกายก็ไม่ทุกข์กับร่างกายถ้าร่างกายแก่เจ็บตายตใจก็ยังไม่ทุกข์เพราะมีธรรมะคุ้มครองใจไม่ให้ไปทุกข์กับร่างกายได้อนี่คือสิ่งที่เราทํากันนี่สร้างที่พึ่งทางใจธรรมะนี้เป็นที่พึ่งทางใจ อย่างอื่นไม่สามารถเป็นที่พึ่งทางใจได้มีเงินทองร้อยลา้านพันล้านก็ไม่สามารถดับความทุกใจได้ป้องกันไม่ให้ความทุกใจเกิดได้มียศในตำแหน่งก็ไม่สามารถห้ามมใความทุกเกิดขึ้นมาได้มีถ้ามีธรรมะใน ห, ห้ามได้หยุดได้การพยายามมาสร้างรับไปในการสร้างด้วยการปฏิบัติทม อันแต่ขั้นทานศีลภาวนาไปเราก็จะได้ทัพย์ภายในขึ้นไปตามลำดับของการปฏิบัติจากทานก็ไปที่ศีลไปสมาธิไปปัญญาตามลาดับนี่ก็คือทัพย์ายในธรรมะคือทัพย์ภายในเป็นที่พึ่งของใจอย่างอื่นไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจ เงินทองยาบยศต่างๆไม่สามารถทําให้ใจพ้นทุกข์ได้มีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวนะั้นที่จะทําทให้พ้นทุกข์ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธรรมอันนี้ก็ไม่มีใครจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยต้องรอให้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก่อนนำมาสอนมาบอกวิธีสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นมาภายในใจเมือมีธรรมะภายในใจแล้วก็ความทุกข์ก็จะเข้ามาไม่ได้ นะมีอะไรเข้าใจไหมครับเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์กับกับพวกคนอย่างสูงครับอไอ้ที่อาจารย์พรหมวมิไลาย์เปน็นนักปนหรือเปล่ากับนักการค่าอยู่ค่ะยังไม่นอนนะาาาครับอาจารย์ครับอยังไม่ทันนด้หนีค่ะเกือบเหนนี้เข้ามาไว้หน่อย ค่ะไม่ไม่ต้องรอนานค่ะค่ะเข้าเข้าประมาณอย่างเงี้ค่ะพอดีวันนี้คนสนทนากับพระอาจารย์ไม่ค่อยเยอะค่ะ<ม>ค่ะเมื่อก<ะ>ี้คุยเรื่องธรรมะอยู่ในใจนี่บอกค่อนข้างลึกซึง้งนะค<ม>ะตสมบัติสมบัติเนาะค่ะสมบัตินอกกายไม่ค่อยมีความสําคัญอสมาธินี่เป็นท้องเราไม่มีใครแย่งไปได้ไม่มีใครมาขโมยไปได้ อั น, นี้ต้องทำกันเองกาอยากจะได้สมบัติภายในก็ต้องทำกันเองจะมารับรับมารัรับเป็นมารดดอกจากพ่อแม่ไม่ได้ได้ค่ะต้องสร้างสมมูลไว้ชนมนี้ชาตินี้มีเยอะไม่พอก็ติดตัวไปนค่ะเ็อย่างน้อก็มีชาติติดตัวไปค่ะอือพอที่จะประท่าับพอที่จะให้ไม่ต้องรักกรรมําบากไม่ทุกข์ยาก ยังน้อยก็กลับไปพบพบหน้าในพบที่ได้เจอพระพุทธศาสนาอีกไปเรื่อยๆเพราะเหมือนมองดูแล้วอายุก็ก็เยอะแล้วก็เหมือนผัดวันไปเรื่อยว่าเอ๊ะเราคงไปไม่ได้ไกลไปถึงนาสุดจุดที่สามารถที่ไปนิพพานได้นะคะแต่ว่าน่าจะไรุ่งนี้ก็ไปได้ <c oughs> นะขอให้ทำเท่านั้นเองไม่ไม่ไมอยอมทำกันคือ ทำค่ะแต่ขยันไม่พออน้อยขยันไม่พอขยันได้ระดับหนึ่งต้องทำทั้งวันทั้งคืนเลยสักวันหนึ่งนั่งจงกรมนั่งสมาธิจารสติเธิไม่ทํากินอย่างอื่นนอกจากกิจจาเป็นต่อการเลี้ยงดูร่างกายนะนี่เกิดใจมันก็พาไปทําอื่นเฉลื่อยค่ะเราเป็นหฮคนนั้นนี่มีท่านหรือยัง อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ดิเลกมันฉลชนมันนอกเราค่ะเขามีข้อพ่อแม่ไปเรื<ม>่อยก็พยายามให้มันมีน้อยที่สุดอย่างน้อยจิตใจก็พยายามทําให้มันรับนิวบวยขายนะคะ<ม>ให้ให้อย่างสม่ําเสมอที่สุดแล้วก็ทํ า, าให้ดีที่สุดกันแล้วกันนะค่ะค่ะโอเคค่ะไม่มีคําถาม อ่าตอนนี้ก่อนนะคนุณดีจังน้ำต า, า, าการจังน้ำตาการอ่าไปที่สันดจกคุณยายวันนี้มาได้กันนะองานพระจันทร์งานสการ์พระจานทร์วันนี้มามาพร้อมกันครับแต่ที่ที่แล้วว่าจะกลับเข้ามากราบพระจานทร์ครับแต่ว่าป่วยแล้วก็ไม่กล้าพระไม่กล้าเข้าสูมพร้อมคุณยายกลัวคุณยายติดหวัดอืม ครับอันนี้หายดีแล้วนะหายดีแล้วแม่คุณยายเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมยายก็อยู่บ้านเหมือนเดิมค่ะอก็อยู่ตลอดเลยค่ะยังแข็งแรงยังเดินเหรอทำอะไรได้อยู่ใช่ไหมก็เดิได้ในในในบ้านนะคะแลต่ก็ไม่ได้ไปไหนหมอท่านตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ะแปดสิบสามแล้วค่ะแปดสิบสามจุดกำไรแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าแค่แปดสิบเท่านัเอ ก็อยากให้ถึงแล้วค่ะอยู่ให้เกินน้อยนะไหวไหมไม่ไหวค่ะไม่ไหวค่ะอายุมากแล้วค่ะทำไมไม่ไหวก็อยู่ไม่ปเรื่อยๆของเรามันเจ็บเจ็บเจ็บขาเจ็บอะไรสสารพัดเลยค่ะแล้วไม่รู้สึกเบื่อใช่ไหมก็อดทนอยู่ได้ค่ะอก็อยู่ได้คนเดียว ต้องอดทนอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมนะอ่ยายไหว้ทุกวันเลยค่ะอไหว้พระเสมอนั่งสมาธิไหว้พระเสมอทุกวันเลยค่ะอืถ้าอยู่ไปเปล่าๆโดยไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่เรียว่าขาดทุนนะอย่ายายปฏิบัติอยู่ค่ะทุกครั้งเลยค่ะอย่าอย่าปล่อยให้เวลามีค่าของของเรานี้หลุดไปโดยไม่ได้สร้างธรรมะให้มันขึ้นมาในใจเรา เพราะธรรมะนี่เป็นของวิเศษของที่เราติดตัวไปได้เป็นของของเราพวกละครพวกนั้นนี่มันไม่ใช่เป็นของเราดูแล้วเดี๋ยวก็ลืมไปเดี๋ยวก็ผ่านไปมีอะไรไหมไนนม่มีอะไรครับอาจารย์ก็เข้ามาเช็ค attendance ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขาด นัสมาธิทุกวันตลอจะเป็นสมาชิข้างนี้แล้วนั่งสมาธิทุกวันนะนั่งครับนั่งครับนาทีนาทีแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะชอบเดินจงกรมมากกว่าครับอาจารย์ไม่ได้นั่นนงใช่ไหมเพราะว่าอะจะนั่งครับผมอาจารย์แต่ว่าจะนั่งตอนก่อนนอนประมาณสักเท่าน้องยครึ่งชั่วโมงแต่ว่าจะชอบไปเดินจงกรมมากกว่าครับพเจริญเดินเดินแม้แต่อยู่ที่โรงเรียนบางทีอ ตอนช่วงโฮมรูมตอนเช้าก็เพื่อนเขานั่งเล่นเกมกันช่วงเช้าหมก็ไปเดินอยู่ข้างหลังเขาเขาถามว่าเป็นอะไร <c oughs> อยากเข้าห้องน้ำเหรอหลวงพ่อ เ, เดินหาพุโทโธเลยมันก็จะมาช่วยหาให้เรอ <c oughs> ว่าเขางงมากกว่าครับอาจารย์เขาน่าจะงงตั้งแต่ Happy no <c oughs> แฮปปี้โนเบิร์ตเดย์นะฮะชาวเขาเขาเห็นนกวงปู่มั่นเดินจงกลยถามว่าหลวงปู่เดินหาอะไรเหรอปูบอกหาพุทโธผมช่วยหาได้ไหมได้ทายังไงก็ ได้ท่องพุทโธพุทโธไปเดินไปแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็จะเห็นพุทโธขึ้นมาเองอุบายของนักปราชญ์สอนคนสอนชาวเขาเ น, ะนี่ยใช่การเจริสติประเสริฐจ่าเดี๋ยวรอเอาไปใช้ครับโอเคพยายามเจินจสติอยู่เรื่อ ย, อยนะอย่านั่งเล่นเกมเนะี่ยอะไรเลยประเสริฐปกติไม่เล่นเกมครับผมประเริฐ ดูพุทโธดีกว่ามมีพุทโธอยู่ในใจเราหรือเปล่าอรับในใจโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแร้วครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวไปทำมาเพิ่มครับอ้แต่ได้ถึงท่านอยู่ค่ะคุณยายสุขภาพแข็งแรงนะอยู่ไ้เกินร0อยปีนะจ้าขอบคุณค่ะคุณแอนต่อคุณแอนอยู่ที่ไหนล้วนี้ กลับมาเศการหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ค่ะที่ไปปฏิบัติคอร์อส<ม>เผชิญความตายอย่างสงบมาค่ะนนเป็นงไงดีไหมก็ถ้าพูดในเชิงของทางโลกก็ก็ให้ความเข้าใจเยอะนะคะได้ได้ได้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแล้วก็การการเตรียมตัวเตรียมเตรียมใจอ่าให้ยังไงใ ห, ให้ให้ไม่ไม่ทำให้ตัวเองแล้วก็ คนที่ดูแลเราเดือดร้อนนะคะแต่ถ้า mm hmm. ถ้าท า, างทางธรรมะก็ะเป็นคําสอนที่ที่พอทราบกันอยู่แล้วว่าค่ะว่าสุดท้ายเขาก็จะเกี่ยวกับว่าอความยึดมั่นถือมั่นนะคะที่ที่มันเป็นเป็นตัวที่เราต้องต้องมาลดลงเนะะี่ยค่ะความกลัวอะไรอย่างเงี mm ้ยค่ะเหมือนที่คลวงพ่อเคยเคยสอนที่หนูเคยฟังธรรมะจากทางหลวงพ่อมา mm hmm. ค่ะก็ จะได้จะได้มันจะเป็นเวริร์กเวิร์กช็อปอะค่ะหลวงพ่อมันไม่ได้เป็นกัดไปปฏิบัติเป็นเป็นเชิญให้ความรู้มากกว่าเหมือนที่หลวงพ่อบอกไว้อะคะ่ะยังไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดของการปฏิบัตินะไม่ค่ะจะเน้นเป็นเหมือนเหมือนให้ความรู้กับคนที่ ท, ที่ที่ไม่รู้มากกว่าทาั้งโลกอะคะ่ะว่าว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่ยังไงผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าคนที่เป็นเป็นเอ่อระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะที่มีโรคไัยเรื้อรังองะไรเงี้ยค่ะเราจะ ดูแลเขายังไงแล้วก็จะเริ่มจะจะเหมือนกับว่าวางแผนยังไงเหมือนให้ให้เขาไปอย่างสบายที่สุดแล้วก็เราก็วางใจได้มากที่สุดอะค่ะไม่ไม่ไม่ไปทำให้ตัวเองต้องทุกข์อะค่ะก็จะมีพระอาจารย์พระอาจารย์ภัสารยุทาโรท่านก็จะมาแทรกให้ข้อคิดทางธรรมไปด้วยอะค่ะทำกับทานกี่ครั้งมาครั้งเดียวรมาหลายครั้ง อรอบคือเหมือนคอสนี้เขาจะเป็นแนวว่า พ, พระอาจารย์ท่านจะจะมาอยู่ด้วยในคอสสี่วันเลยค่ะอ่านนก็จะเข้ามาเป็นอ่าทุกวันเป็นช่วงเป็นช่วงช่วงเนี้ยค่ะช่วงไหนที่มีมีคําถามมีการมีการทํำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับอ่าเผชิญความตายที่ที่จะมีธรรมะแทรกได้ทั้งก็จะม า, มานั่งฟังด้วยแล้วก็จะให้แง่คิดให้ข้อคิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วดีเจ้าค่ะ ไ ด, ได้ความรู้ของหนูนี่อย่างหนึ่งที่ได้มาก็คือมันได้ปลดล็อกตอนของตอนที่เราดูแลคุณแม่แล้วคุณแม่เสียค่ะมันก็ทำให้เราเข้าใจเรื่องหนึ่งคือเขาจะมีมีเกี่ยวกับว่าคนตายคนใกล้ตายค่ะเขาจะมีสภาวะยังไงใช่ไหมคะถ้าถ้าเราไม่ได้ไปฟังถ้าหนูไม่ได้ไปฟังค่ะเวิร์กช็อปเมื่อวานเนี้ยค่ะไม่ได้เข้าเวิร์กช็อปก็คงไม่รู้ว่า สภาวะของคุณแม่ช่วงที่ก่อนก่อนท่านเสียค่ะมันมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่แต่ตัวเราไม่เข้าใจเราคิดว่ามันเป็นความทรมารเนี้ยค่ะเราก็เลยทุกข์ใจแล้วก็เหมือนดูแลท่านได้ไม่ไม่ไม่ดีไม่ถูกวิธีอะค่ะทั้งทั้งจริงๆแล้วมันคือเรื่องปกติธรรมดาของคนที่ที่ภาวะสภาวะก็ เ, เีย น, นะคะ อาระยะสุดท้ายอะค่ะของคนที่เป็นโรคมะเร็งหรือเป็นโรคเรื้อรังทั้งหลายแม่ที่ที่อยู่ในระยะสุดท้ายอะค่ะก็เลยปลดล็อกไปได้เรื่องหนึ่งว่าอ๋อโอเคที่ที่เราเห็นคุณแม่ตอนนั้นที่ท่านที่ท่านไม่กินไม่ไม่พูดแล้วก็ไม่ไม่เริ่มจะไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์หรือคุยกับใครได้มันนี้เราไม่ไม่มันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยอะเจาค่ะกลาเหมือนแรงใช่ค่ะเขามีเขามีหนูก็เพิ่งรู้ว่า สภาวะพวกนี้มันมีคําคําจํากัดความให้หมดเลยค่ะ mm hmm. อย่างเมื่อวานหนูก็เพิ่เรื่องว่าเข า, าทางแพทย์เขาก็จะมีเรียกว่าไม่กล่าวไม่กินไม่กลืนใช่ไหมคะมันจะเป็นสภาวะ mm hmm. แต่ละสเต็ปไปเลย mm hmm. อันนี้คือสิ่งที่หนูเกิดที่เกิดที่เกิดคุณแม่แล้วหนูไม่เข้าใจแล้วหนูก็รู้สึกว่าเราเร า, เราทําผิดหรือเปล่าที่เราดูแลท่านแล้วท่านก็ยังไม่ไม่ดีขึ้นยอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่สุดท้ายก็ mm hmm. ก็เหมือนได้ผลแล้วว่าอ๋อโอเคเราถต่อให้เราพยายาม มากกว่านั้นขนาดไหนก็คือมันก็เป็นไปตามสภาพร่างกายของของท่านตอนนั้นแล้วมไม่สามารถแก้ไขอะไรได้<ม>ค่ะก็ดีค่ะหลวงพ่อหนูว่าคนที่คนคนทางโลกอย่างพวกเราเนี่ยค่ะอย่างพวกหนูเนี่ยมีมีไม่ได้กลัวความตายแต่ว่าพอไปเข้าคอร์สจะทาให้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ไม่ได้กลัวความตายกันนะคะแต่ว่ากลัวอะไรนนะไม่ได้กลัวตายแต่ว่า มีนะมีความเขาเรียกว่าอะไรนะท่านพูดึ้นมาหนูลืมไปละเหมือนกัมีความห น, หนูขอขอโทษด้วยค่ะหนูหนูใช้คานึกจำคาไม่ได้แต่ท่าน<ม>พูดว่าะไม่ได้กลัวตายแต่ความกลัวตายนี่แหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวพวกเรามีความกลัวตายอยู่แบบว่า ห, วห่วงนู่นห่วงนี่ค่ะห่วงห่วงคนรักยึดถือยุดิกับคนรักยึดถือยุ ด, ยดิกับเงินกับกับสมบัติมันก็เลย ไม่อยากตายแต่จริงๆแล้วความตายความตายไม่น่ากลัวแต่ความกลัวตายอะน่ากลัวอันนี้ที่ท่านพูดอะคะ่ะก็เห็นภาพอยู่ค่ะก็ดีคะ่ะลุงพ่อไปมาสี่วันก็ได้อะไรกลับมาบ้างเหมือนกันค่ะ อ, อันนี้ก็ไม่มีคำถามค่ะลุงพ่อมาเข้ า, เ ข, าเข้าคลาสค่ะอันนี้ยังไม่ต้องไปทำงานนะอนนี้ภาพอยู่เนี่ยค่ะกลับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่อีกวันแล้วก็ไปแล้วค่ะไปสิบวันเลยบินยาว ขอบคุณค่ะหลวงพ่อค่ะหนูจะพยายามปฏิบัติต่อไปนะคะตอนนี้ก็มานั่งสมาธิอ่ตั้งแต่ปีใหม่มานี่หนูก็พยายามนั่งให้ได้เกือบทุกวันค่ะอืกะนั่งได้เยอะทำให้เป็นนิสัยขึ้นมาค่ะปีนี้ตั้งใจแล้วค่ะถึงจะได้สักยี่สิบวนาทีสามสิบวนาทีก็จะนั่งค่ะพยายามทําให้ได้ทุกวันนค่งเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเองต่อไปค่ะสาธุค่ะขอบคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ คุณสุภาาัสตาใช่ประมาณนี้คุณแดนเดียว่าเข้ามาในห้องสูมม า, าษาอังเกตมาทักทยายทำน้ำพิีการพรอาจารย์เจ้าค่ะเ จ, จ้าค่ะเ ข, า, ขาบอกเขาจะเข้าแล้วเขาก็มีความตื่นเต้นมากเขาก็เลยถามเขาว่าทําไมเจอตลอดเลยเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นเป็นควา ม, มตื่นเต้นรู้สึกว่าเขาเชืหรือว่าเขาต้องเราจะต้องกลับมาอีก <Okay. S 2> เขาอยากกลับมาเจ้าค่ะเขาเขาเคยมาเมืองไทยเมื่อมะกราที่แล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความผูกพันกับประเทศไทยเจ้าค่ะ mm hmm. ครั้งที่ครั้งที่เขาพบพระอาจารย์คือครั้งที่สองที่เขามา mm hmm. แล้วเขาก็เพิ่งกลับไปแล้วเขาก็บอกว่าเพิ่งกลับไปยังไม่ถึงอาทิตย์เขาบอกอาทิตย์หน้าเขาจะกลับมากลับมาไทยแล้ mm hmm. <laughs> วเจ้าค่ะวันวันที่เอ่อไปพบพระอาจารย์แล้วก็ แล้วก็พาเขาไปโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยเจค่ะเขาเข้าไปเขาก็ร้องไห้เลยเขาบอกว่าเหมือนบ้านเขาอาจจะชาติกอาจจะเป็นชาวขึ้นมาก่อนก็ได้นะเื่อกี้เขาอยู่ตรงนี้เขาก็ยืนร้องไห้เลยเจ้าค่ะลูกก็บอกไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเขาก็ไปนั่งฟังพระอาจารย์เทศเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าภาษาไทยแต่เขาก็ชอบเจ้าคะ่ะชอบมากแล้วเขาก็กําลังรู้สึกว่าเขาบอกไม่รู้จะ จะอยู่ไปทําอยู่ที่อเมริกาทําไมจะรอไปทําไมเขาก็เลยตัดสินใจว่าอาทิตย์หน้าอาจจะกลับมาไทยแล้วค่ะแล้วก็จะลองใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยอ่า แ, แล้วก็เตยก็นะว่าว่าใจมันเปลี่ยนได้นะพอมาอยู่สักระยะหนึ่งันอา จ, จะเห็นอะไรที่ไม่เคยคิดก่อนไม่เคยเห็นก่อนก็ได้เพราะมีคนหลายคนที่เวลาตั้งใจจะมาก็มากันแต่พออยู่ไปสักพักแล้วอาจจะเปลี่ยนใจในภายหลังก็ได้ ได้ค่ะแต่ค่ะเขาก็เลยบอกคุยกับเขาเหมือนกันว่าก็ลองดูก่อนลองดูก่อนว่าว่ามาอยู่แบบไม่ใช่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นยังไงถ้ามาอยู่แบบเหมือนคนไทยที่เขาอยู่ไม่ใช่มาเที่ยวเนี่ยจะทํำยังไงเขาก็เขาก็เลยอยากจะลองวิธีแบบนั้นดูน<ม>ะคะแล้วเขาก็แพลนแล้วว่าเขาก็จะไปหาพระอาจารย์ประมาณแบบ เ, เดือนละสองครั้งทุกวันอนะสารวันที่อะไรอย่างเงี้ยเขาแพลนของเขาเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ แล้วเขาก็ครั้งที่แล้วที่มาก่อนกลับเนี่ยเขาไปทั้งหมดหกสิบกว่าวัดค่ะเจ้าค่ะ uh huh. ค่ะเจ้าค่ะเขาไปคือคือคือคือลูกก็ไม่ได้บอกให้เขาเปลว่าคืออยากให้เขาได้ลองลองเห็นความต่างของแต่ละวัดก่อนเพื่อเขาจะได้เห็นว่าวัดไหนคือวัดที่ปฏิบัติแล้ววัดไหนคือคือเป็นอีกอีกแนวหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกก็เลยให้เขา ไปพสูจน์เองเขาก็ไปทั้งหมดหกสิบกว่าเพื่อเขาก็เข้าใจเจ้เจ้าค่ะให้เขาเหมือนซื้อรถนซอยน่ะต้องไปหลายร้านหน่อยไปหลายใช่เจ้าครถเดียวมือสองมันจะมีหลายร้านต้องไปเลือกดูใช่เจ้าค่ะแต่เขาเขาเขาเขาบอกว่าเห็นพระอาจารย์ทีไรเขาตื่นเต้นแล้วเขารู้สึกปิเต เขาเขบอกว่าเขาเปลงไปหมดเลยจะพูดอะไรพูดไม่ถูกแต่เขาบอกว่าอังคารหน้าเขาจะตั้งต้นดีขึ้นทุกครั้งเจ้าค่ะตอนนี้ลูกก็ไม่ค่อยได้นั่งมาเพราะว่าก็เกี่ยวกับอเพิ่งปรับตัวเมื่อเมื่อวันเออ่เมื่อเดือนธันวาลูกกลับเทกซัสแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาก็คือมาปรับเอาล่ะเสียงขาหายไป พยานคุณจะชน ะ, ะอยู่อย่ารอสักแป๊บไปดูนนะตอนตอนนี้ฟรีสครับนะ ม, มาแล้วคอพระอาจารย์สะดุดใช่ไหมคะคุณบอยพูดพูดได้นนี้พูดได้นะอ๋อ<ม>ลูกกลับมาแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะก็คือคือเดี๋ยวลูกก็จะพยายามกลับมากลับมาปฏิบัติให้ได้มาก เรื่อยๆ เ, เจ้าค่ะก็คือเหมือนกับเริ่มต้นเพราะว่ามีเรื่องหลายอย่างที่ที่อาจจะต้องเครียดนิดหน่อยก็ตอนนี้ก็พยายามจะพยายามลงตัวแล้วเจ้าค่ะ ด, ดีอย่าทิ้งไว้นานเดี๋ยวมันจะกลับมายากค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคสาธุจับขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณเอกเชียงรายเชิญคุณเอก การมหการมพระอาจารย์ครับผมครับยังเออวันนี้ก็มารับฟังครับอาจารย์วันนี้วันพาร์ทพอดีครับผมกันี้่ต้องในสัเช็คสียนะมันพารแล้วไม่ไงก็ยังไม่ได้เริ่มเลยการจะเริ่มอยู่ก็บางทีมันก็ทํางานเยอะก็เขี้ครับอาจารย์เอ่ไม่เป็นเลยได้ประมาณสักสิบเอดมงคึ่งก็มันมันง่วงครับอาจารย์อื ตรงนี้ก็จะพยายามอยู่ครับพระอาจารย์ครับแต่ว่าผมก็ปฏิบัติทุกวันครับพระอาจารย์ตอนนอนแล้วก็ตอนเช้าครับพระอาจารย์ครับก็มันก็สงบดีครับอาจารย์ครับเวลาสงบแล้วก็เวลาปกติเนี้ยถ้ามีความคิดอะไรเกิดขึ้นนี่มันก็จะพูดโทมาเองครับพระอาจารย์มันมันจะรู้ตัวเร็วครับอาจารย์การคิดในทางไม่ดีมันก็พูดโทขึ้นมาเลยครับ โมต<ม>โมตโมมาเลยมันก็ตัดไปเลยอย่างนี้ยครับอาจารย์ครับเนีเริ่มเต็มที่สายแล้วเนั่นมไมีสติปคอยยกักยังความคิดไม่ดีได้นะข้ามถ้ารวมไม่ดีก็มันก็จะขึ้นมาเลยอย่างนี้ก็คือก็เหมือนมันมันเป็นออโต้ครับอาจารย์ครั บ, <า>รบนี่แหละปฏิบัติแค่ใ้นเป็นออโต้ให้เป็ น, นถึงเวลาปุ๊บก็เรียกขึ้นมาใช้ได้เลย อันนี้ใช้สติไปก่อนต่อไปก็ใช้ปัญญาครับต่อไมก็นึกถึงตายรักปั๊บมันก็หยุดเลยครับครับครับผมก็ก็ไม่ค่อยทุกอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดมีมันทุกขึ้นมาก็เอน้องเข้ามาหาตายรักไงครับอาจารย์อืมันไม่เที่ยงเป็นไม่ใช่ตัวเราอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับ มันก็ดับได้นะไหวมากครับผมดับได้ครับก็ก็มีช่วงสัปดาห์ก่อนนี่ก็นั่งสมาธิแล้วก็ก็ลองดูว่าเอ่อไม่บริกรรมแล้วก็ดึงภาพเอ่อภาพอสุภะขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ครับมันมันก็นิ่งได้ครับอาจารย์ครับมันก็ลองเหมือนกันครับได้ก็ลองนะครับผมเป็นถ้ามีสติมีสมาธิสนับสนุนนี่ก็ใช้ปัญญาได้ครับ มันก็นิ่งนะครับก็ทั่งก็แป๊บเดียวก็ชั่วโมงกว่าช่วงหลันอนก็ประมาณสี่สิบนาทีครับแต่ช่วงตอนเช้านี่ก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่ารอดได้อยู่กับอาจารย์ครับ <c oughs> ครับผมก็ช่วงที่ไม่ได้เข้าเอ่อไม่เข้าซูมไม่ทันก็นั่งอยู่ข้างนอกครับอาจารย์ก็ก็นั่งโดยโดยที่ไม่เปลี่ยนท่านั่งฟังจนจนจบรายการจนจนจบนะครับซูมเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็ลองดูว่าเออ วทนาก็เข้ามาก็ไม่ค่อยปลนใจสักเท่าไหร่ครับอาจารย์เขาเกิดขอาไปครับอืครับก็ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันนะครับอาจารย์โอเคอย่าทิ้งนะไม่ทิ้งครับอาจารย์ครับมันไม่มีชาติไหนที่ยาชาติปัจจุบันนี้แล้วครับอาจารย์ที่เขาพยายามให้เป็นที่สุดแล้วครับอาจารย์ชาตินี้เป็นโอกาสทองของการปฏิบัตินะผมเองนะครับเมื่อก่อนนะตอนตอนที่ผมยังเด็กนะพรอาจารย์เอ่อผมอ่ะ นั่งสมาธิกับยายผมครับอาจารย์เพราะว่าที่ที่วัดที่บ้านเนี่ยเอเจ้าอาวาสที่วัดอะ่ะท่านะเป็นลูกศิษย์ของคุบาศรีวิชัยครับอาจารย์ mm hmm. แล้วยายผมก็ไปปฏิบัตินะฮะเ mm hmm. มื่อก่อนนะผมอะ่ะมันอาจจะอารมายังไม่จัดสรรมั่งคงไม่ได้เจอแล้วไม่เหมือนกับน้องเด็กๆที่ข้างต้นอ่ะถืโอกาสดีมากครับครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะผมนั่งตอนที่เป็นเด็กอ่ะยายผมอะ่ะ ยายผมสอนให้ผมอยุบหนอพองหนอนนะแต่ผมอ่ะผมก็ยังบอกยายผมว่าเฮ้ยยายไม่ไม่ใช้พูดโทละ่ะยายเขาบอกก็ทางทางว่ารักเขาให้เขาให้พูดยุบหนอพองหนอนผมผมก็เข้าใจแตผ่ผมก็ไม่รู้ว่าผมบอกยายผมไปได้ไงก็ไม่รู้แต่โอ้กว่าจะโวนกลับมาได้นี้กินเวลาไปหลายมากเลยติดไปทางโลกครับอาจารย์อก็ตั้งใจทําครับอาจารย์ครับก mm. ็ข บ, บ, บ, บขอบคุณพระอาจารย์นะครับ อ่ายามรักษาการปฏิบัติไว้ก็แล้วกันนะฮะทรัพย์ธรรมะนี่อย่างที่ได้พวดกับมาไม่ใช่นะทรัพย์อันประเสริฐก็คือธรรมที่เป็นงานประเสริฐก็คือธรรมนะครับผมกับคุณพระอาจารย์แล้วอกกับคุณพระพุทธเจ้าแลครับที่เป็นอย่างมากเลยกราบพระพุทธเจ้าทุกวันเลยนะกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับผมกราบทุกวันนะครับกราบก้อนละนึกนะครับอกราบครั้งแรกก็ พระพุเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าครั้งที่สองก็พระธรรมเป็ีพึ่งของพระเจ้าข้างที่สามกพระสงฆ์วิ็นีพึ่งของพระเจ้านะครับทุกวันนะครับพระอาจารย์ครับคุณบิดามันดาแล้วก็คุณครูบาอาจารย์ด้วยครับพระอาจารย์ครับอครับผมปฏิบัติธูชาครับอาจารย์ครับสาธุครสาธุสาธุครับอาจารย์ครับอไปที่คุณตายต่อไปงานคุณตายปฏิบัติธูชาป่ะวันนี้วันพระด้วยปฏิบัติครับพระอาจารย์ก็ตั้งแต่บอก อาจารย์ว่าจะนั่งสมาธิทุกวันก็ทําอยู่ทุกวันค่ะพอาจารย์แต่ทํามากบ้างน้อยบ้างค่ะถ้ามันง่วงมากก็ไม่ให้เสียสัจจะ่ะคะอาจารย์เมื่อก่อนนี้ไม่ได้ทําเลยใช่ไหมก็ทําค่ะแต่ก็หยุดไปพักยาวๆแล้วก็ทําอีกมันก็เหมือนกลับไปกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่อันนี้ตั้งใจบอกพระอาจารย์ว่าจะนั่งทุกวันก็จะรักษาสัจจะข้อนี้ไว้อะค่ะอาจารย์แต่จะมากหรือน้อยก็ จะทำทุกวันค่ะพ้าจานใช่แล้ถ้าจะน้อยต้องไม่ต่ำกว่า10นาทีนะันต้องกำหนดไม่มางไม่ใช่นั่งแค่1นาทีวันนี้ได้นั่งเสร็จแล้วสิ่งที่น้องใช้ไม่แม่จันไมรู้เลย อ, นะอย่าง้อยต้องอย่างต่ำต้อง15นาทีน้อยอะไร แต่ก็พยายามค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าวันไหนแบบนอนดึกมากๆอย่างฟังอย่างเข้าโซมเนี่ยยมก่อนนอนยมก็นั่งอีกรอบหนึ่งนะคะพระอาจารย์อืมก็จ ะ, จะนั่งตลอดค่ะไม่นั่ไม่ได้จริงๆก็ต้องนั่งต้องนั่งชดเชยอ <c oughs> วันต่อไปก็ได้เลยท่านตอนคืนไม่ได้นั่งแตตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องนั่งชดเฉย <c oughs> ไม่ใช่ปล่อยให้มันผ่านไป นะต้อง <c oughs> มีการชดเชยนะวันหยุดก็ยังมีวันชดเชยกันเลยเราก็ต้องชดเชยบ้างเลยอาจารย์นั่งตาเห็นเหมือนเห็นลูกศิษย์เลยมีงั้นเลมันจะหาช่องหลบอยู่เรื่อยไหมใช่ค <ขอ S 1> ่<ล>ะอาจารย์ชอบมาแกงตลอดลอ่ามัวเอยเหนื่อยวันนี้เหนื่อยไม่ง่วงอะไรนี่หนาวเกินไปน้อนเกินไปหิวอะไรทำไปไนั่งไม่ได้ ต่ว่าต้องมีมาตรการแก้มันนมึงนั่งตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวมึงต้องตอนที่มึงดีนต้องมานั่งชดเชย <c oughs> อพอปิดไฟปุ๊บกำลังจะเข้านั่งสมาธิห า, ามาก่อนเลยค่ะพรอาจารย์ <c oughs> <c oughs> แต่ก็พยายามค่ะจะนยายามให้ปฏิบัติมากขึ้นค่ะพอาจารย์ค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะย yeah. <c oughs> ่านาทูแตอาจารย์สาธิกาคุณสาธิกาใชน่า เพื่อนมันเห็นเราเลยมาฟังทำค่ะอาจารย์ปฏิบัติค่ะอล้วทจ้าเป็ที่ขอลูกตาต่อลูกตาลย่างมาสการค่ะอาจารย์มาสการกันเป็นยังไงวันนี้วันพาไม่ได้มาเพราะว่าใช่ไหมวันวันนี้มาหป่ะวันนี้ไม่ได้ไปค่ะพอดีวันนี้ช่วยงานศพเพื่อนที่เสียชีวิตนะค่ะ แล้วก็ปฏิบัติทุกวันค่ะอืเพราะเห็นพระอาจารย์เอตั้งใจสอนเขี้ยวเข็นแล้วหนูเองก็ปฏิบัติมาหลายทางแล้วแต่มันไม่ก้าวหน้าแต่มาปฏิบัติทางสายพระอาจารย์ก้าวหน้าขึ้นนะคะอันี้วันนี้นนนเท่นวันนี้ก็เทศนเรื่องความเพียรพยายามทำให้มากๆแต่ว่าถ้าหากพระอาจารย์มันก็บางทีมันก็เสื่อมลงก็ต้องค่อยไปเติมไปเติมที่วัดด้วยอะค่ะ ขึ้นหน้าบุตรด้วยอะค่ะดแต่หนูตามหาพุทโธทุกวันนะคะอืมรู้สึกตัวก็ตามหาชอบหาเรื่องนพุทโธชอบหายเรื่องพอพอเรามานั่งแล้วมันมันสงบได้เร็วขึ้นกว่าสมัยก่อนนะคะค่ะก็ดีดีดีใจด้วยก็ก็เริ่มก็วางวางอะไรได้เยอะตัดสังคมออกแต่พอดีว่าเพื่อนคนที่เสียชีวิตที่เราไปเยี่ยมมาทิ้ครั้งที่หน้าที่เรียนพระอาจารย์นะคะ เป็นเพื่อสิร่วม ง, งานกันมาเ อ, อเลยต้องไปช่วยงานก็าแต่จริงๆว่าหนูพยายามตัดสังคมออกให้ได้มากที่สุดนะคะพยายามบาันเข้งมันจาเป็นก็ต้องไปนะค่ะ อ, อ, อย่าง น, นี้ภรรยาเขาก็ต้องอาศัยดูเป็นที่พึ่งะคะ่ะหนูก็เลยต้องออต้องไปออพอดีวันนี้เขาค่ะแล้วก็ห น, หนูหนูอยากจะเรียนถามพญานถึงประเพณีของวัดยานอยู่สองเรื่องคือที่นั่งเมื่อกี้ที่เรทว่านั่งในสัปชิกใช่ไหมคะในวันมาคาบูชาอืม ยังมีอยู่ไหมคะตอนนี้มีมีอยู่วันมาฆาบูชาวันวิสาขะูไม่แน่ใจนะเพราะเดีนี้เราไม่ได้ลองแต่เมื่อก่อนนี้จะมีในสัตวชิกในวันวิสาขะวันมาฆาบานะคะเหมือนที่วัดเขาบางไทรอ่าค่ะแต่ไม่ทราวันนี้มีเจ้าวาดใหม่มีเจ้าอาวาดใหม่มาไม่ทราบว่าจะมีการหรือเแล้วแล้วต่างบัตรไม้มีไหมคะมีมีเหมือนกับวันโบวันก่อนเข้าวันวันเข้าพรรษาบ้าง วันอาสาฬหรบูช า, าวันอาสาฬหรบูชามีอยู่ค่ะก<ข>ารทำที่หน้าโบสถ์ทำที่ห<บ> น, น้าหนูเขียนประวัติเรื่องของวัดเขาบางซายได้เทียบเคียงได้ว่าตอนนี้ชุมบุรีมีที่วัดไหนบ้างอะค่ะอืมค่ะยอมอยากจะไปร่วมเหรอได้ไงอ๋อหนูหนูจะหนูเขียนให้ให้ให้ทางทางชุมชนบางซายเรื่องประเพณีเก่าๆของวัดเขาบางซายอะค่ะ แล้วที่นี่เขาก็ถามมาว่าแล้วที่อื่นมีไหมหนูก็เลยเห็นว่าวัดยานี่เจ้าวาดก็เป็นทางของวัดบวรน่าจะสืบทอดมาเหมือนกันนะคะก็เลยกลับไปถามพระอาจารย์ดูค่ะส่วนในเรื่องลูกสาวเนี่ยหนูเองพอมาปฏิบัติทางสายพระอาจารย์เนี่ยหนูก็วางใจกับตัวเขาไปได้เยอะเพราะว่าไม่ไม่พยายามตัดออกไปได้เรื่อยๆค่ะอพิจรณาความไม่เทียงแท้แน่นอนอันนี้จากแลเช้าตื่นมา ก็ต้องทำสมาธิก่อนนั่งสมาธิก่อนที่จะมาทำงานค่ะอืมอย่างที่เด็กถ้าไม่ฝังอะเรามีความแก่ความเจ็บความตายความพลาดท่าจากกันเป็นธรรมดาค่ะลงพ้นไปไม่ได้เพราะว่าไปนะมันจะได้ยอมรับใจไปได้ยอมไปเห็นคนที่กลัวตายร่างกายอยู่ไม่ได้แล้วก็กลัวตายไม่ไม่อยากตายเห็นแล้วมันโอโ้โหมั น, ม, นมันทุกข์ทรมานนะคะอาจารย์ ความกลัวตายนี่แหลมันเป็นปิเนตทำไม่ใจทุกขึ้มาถ้าไม่กลัวตายั้นจะไม่ทุกข์เลยถ้ายอมยอมตายยอมรับความตายได้มันจะไม่ทุกข์มันจะไม่กลัวมันจะมีความกล้าหาญการที่จะเปลี่ยนภพนะคะเมื่เราฝึกสตินั่งสมาธิให้มากๆแล้วใจยัแข็งแกร่งมันยังไม่กลัวสมาธิที่ช่วยทาให้ใจไม่ไม่กลัว แล้วปัญญาจะสอนใจให้ยอมรับความจริงวันนี้ไม่พะนะ้นเนี่ยทุกคนน่าจงทุกคนมันต้องากาเจ็บตายต้องคิดบ่อยๆเดีย๋ยวมันก็มันก็จะทำให้ใจยอมรับความจริงได้แล้วถ้ามีสมาธิเหมือนกันจะไม่กลัวถึงเวลาก็เฉยๆไปนั่นเองค่ะอาจารย์ โอเคนั้นมีอะไรอีกไหมก็จะปฏิบัติบูชากันแล้วก็จะไม่ไม่ทิ้งเส้นทางนี้ตั้งใจไว้ว่าจะทําให้ถึงที่สุดอะค่ะน้าเตวโอ้ท่านอาจารแล้วที่ได้มาพบพระอาจารย์นะคะน้าอเจียวขอบคุณแค่ะน้อมตระการค่าพระอาจารย์อ้าคุณคันชิตตันชิตไต้หวันอันนี้หนาวด้วยกนี่ปร์ตา้นมมาสการกรับพระอาจารย์ ตอนนี้หนาวยครับยังหนาวอยู่นะครับป้าจันหนาวปีนี้รู้สึกว่าหนาวกว่าทุกปีครับป้าจันตอ น, ตนเช้าต่ำสุดเกี่ยองศาแล้วนี่เมื่อเช้านี้เก้าองศาครับเมื่อเช้าอใชาครับตกมาตอนเย็นก็ถ้าดึกดึกหน่อยก็ห้าหกองศาครับอันนี้เกี่ยองศาอ่ะตรงนี้ตอนนี้ สิบสองศาตอนนี้สิบสองอศาครับสิบสองแต่ก็ชิลยังว่าใช่ไหมไม่เดือด้นอนเลยนะก็เลิกงานมาก็เข้าห้องเลยครับที่ห้องมีเครื่องปรับความร้อนใช่ไหมมีมีเครื่องทําความร้อนหรือเปล่ามีแต่เครื่องเครื่องอาบน้ําเครื่องปรับความความร้อนครับที่ห้องก็มีแอร์ก็ปิดไว้แล้วก็ปิดหน้าต่างครับมันก็อุ่นครับ รออยู่ได้นะครับก็บจะกลับบ้านนะครับะจะมาเมื่อไหร่เนดะหน้าเดือนนี้นะครับวันที่สิบห้าถึงไทยครับแ้วมันอยู่นานไหมสิบหกวันครับนานได้สองอาทิตย์นะครับไม่ได้มานานได้ยัง ประมาณตั้งแต่เอาผ้าไตไปถวายพระอาจารย์ก็อาหกปีแล้วครับเ ค, เคมาที่วัด น, นี่เลยครับไปนั่งฟังธรรมอยู่ที่วัดตอนพระอาจารย์แสดงธรรมอยู่ อ, อยู่ที่เป็นกระท่อมอะครับแล้วก็รนะครับแล้วก็พาพ่อแม่เพื่อนพี่น้องทุกคนไปกราบพระอาจารย์แล้วก็เอาสังฆทานไปถวายแล้วก็ผมถวายผ้าไตพระอาจารย์ครับ ี้อนไป6ปีนั้นนะครับตอนนั้นก่อนโควิดเนี่ยครับก่อนโควิดครับเพราะพอมีโควิดเราก็เลยต้องย้ายลงมาอยู่ข้างล่างอ๋อครับตอนนี้อยู่ข้างล่างนะ ไ, ไม่ได้อยู่ข้างนันครับถ้าอยู่ข้างบนก็จะจัดรายการพวกนี้ไม่ได้เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้าครับพออยู่ข้างล่างก็ดีจัดรายกา ร, รตอนคืนได้ครับ เอตอนตอนที่ไปก็ไปกราบพระอาจารย์อยู่ข้างบนนะครับไปนั่งฟังธรรมอยู่มันจะเป็นบันไดคน เ, เยอะอะครับผมไปนั่งดูตรงบันไดไม่มีที่นั่งไม่มีไม่มีที่นั่ ง, ท, งที่ไหนว่างก็นั่งปูเสือกันเอาเองครับอาจารย์เข้าไปารู้สึกลมเย็นครับอาจารย์ตั้งแต่นั่นมาก็ฟังพระอาจารย์มาจนถึงทุกวันนี้เอเรามาช่วยรักษาใจนะ ครับรักษาได้หลายเรื่องครับแต่ผมไม่ติดโควิดกับเพื่อนนะครับผมมาอยู่นี่ก็มะครับตอนอยู่ห้องเก่าๆนั่นก็เขาติดกันหมดแต่ผมไม่ติดครับอืมยินดีนะมีมีบุญคุ้มของนะครับ <c oughs> อ, อาจารย์โอเคมีอะไรไหมไม่มีครับพาอาจารย์เข้ามาร่วมฟังธรรมแล้วก็มากราบพระอาจารย์ครับโอเคแล้วจู่ทำคอพระอาจารย์ทัดขัน คุณต้าคุณแนนคุตาเป็นงานกลับถึงบ้านพอดีนะกลับถึงบ้านพอดีครับสักพักหนึ่งครับครับมาเทกาลพระอาจารย์อันนี้ก็มาร่วมฟังธรรมครับค่ะวันนี้วัาพระมีอะไรพิเศษทำไมพิเศษไหมไม่รู้ตอนเช้าคนไข้เยอะเป็นพิเศษเลยค่ะวอามาเป็นมอเลย เป็นหมอค่ะพระอาจารย์ั้งคู่เลยค่ะพระอาจารย์อยู่ที่หนึ่งเดียวกันหรว่าอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเดียวกันค่ะพระาจารย์ออยู่ที่ชนบุรีค่ะพ่ะอาจารย์เป็นทุนเอกชนหรือของรัฐบาลเป็นโรงพยาบาลชนบุรีโรงพยาบาลรัฐบาลค่ะค่ะก็จะพยายามมีความเพียรค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเข้าใจที่พระอาจารย์สอน ธรรมะมาได้เรื่อยค่ะเพราะพระอาจารย์สอนค่อนข้างเข้าใจง่ายค่ะพระอาจารย์จากที่เมื่อก่อนยังงงๆงถามว่ายังไงดีตอนนี้มันเริ่มรู้ว่ามันจะต้องยังไงตอนนี้ก็เหลือความเพียรของตัวเองเป็นทางชัดเจนแล้วอยู่ที่การเดินไปเท่านั้นค่ะใช่ ค, ค่ะพระอาจารย์ทีมันมีกิเลสฉุดลั้งไว้เยอะครับ<ม>อาจจะทําให้การปฏิบัติมันก็ยังน้อยอยู่ครับแต่พยายามทําให้มากขึ้นเรื่อยๆครับ ก็พยายามเราเกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตพระเจ้าสอนให้เราเลืกถึงอนิจจังบ่อยๆสั้งขานร่างกายเป็นของไม่เที่ยง่ะการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาอย่ารีบยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอดค่ะพระอาจารย์นี้จะแก้กิเลสที่จะคอยดึงเราไว้ไม่ให้ไปปฏิบัติอืมครับครับอาจารย์กามไม่แน่นอนของร่างกายเราให้บ่อยๆ ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าก็<บ>อยู่โรงพยาบาล น, น่าจะเห็นอนิจจังของร่างกายใช่ค่ะมีคนตายตั้งแต่เด็กไปถึงคนแก่เนะใช่ไหมทุกเช้าทวัยใช่ค่ะไม่มีใครไปรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ค่ ะ, คะก็เป็นตัวกระตุ้นค่ะพระอาจารย์ให้ให้ให้ระลึกแต่ว่าด้วยความเคยชินที่บางบางทีก็ในวันหนึ่งมันเปลี่ยนไปหลายอารมณ์ค่ะแบบส่วนมากแต่ตั้งแต่มาปฏิบัติธรรมก็คือ ระลึกแล้วก็มีสติเยอะขึ้นค่ะแต่บาง<ล>ครั้งมันก็หลุดไปกับความคิดอย่างยังค่ะที่มันเคยจริงกับความตายมันก็เลยไม่ได้คิดถึงว่ามันเป็นเรื่องอะไรอค่ะาาด้วยส่วนนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้อมกลับมาที่ตัวเราว่าเฮ้ยเราเราอาจจะต้องตายเหมือนเขาก็ได้นะครับค่ะใ ช, ใ ช, ใช่ค่ะพระอาจารย์น้องน้อมกลับเข้ามาคุยจะว่าโอปะนาโกครับค่ะเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บคนตายน้อน้อมเข้ามาว่าต่อไปเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะ ค่ะพระอาจารย์ครับแล้วมันจะทำให้เราไม่ประมาทค่ะครับก็จะพยายามจะไม่จะพยายามต่อไปค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติทุกวันค่ะอแล้วเดี๋ยวจะเอามารายงานพระอาจารย์ค่ะครับถ้าถอะอาจารย์ทัดขันแข่งแรกนะคะพระอาจารย์ครับอไปที่ขอนแก่นต่ออาจารย์สายทิพย์เภสัชกรวันนี้เภสัชกร กลับนะมาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะยังใส่เสื้อทํางานอยู่ค่ะอยู่ร้านตัวเองสองทุ่มปุ๊บปิดร้านปับ๊บค่ะพระอาจารย์ปิดตอนีเลยเหรอปิดปิดก่กนใช่ค่ะปิดประตูข้างหน้าแต่ว่ายังนั่งอยู่ในร้านค่ะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตึกแยกจากตัวบ้านค่ะปกติปิดทุกทุกวันทุกสองทุ่มหรือ ว, ว่าเฉพาะคืนนี้ปิดปิดทุกสองทุ่มค่ะพระอาจารย์เป็นในชุมชนหมู่บ้านค่ะ อืแค่นี้พอค่ะพระอาจารย์ยังพนกินพอกินพออยู่ได้ก็พอนะใช่ค่ะเอาเอาให้เขาแค่ห้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มเป็นเวลาจำกัดค่ะพระอาจารย์เอาแค่นี้พอยังรักษากายวาจาได้ได้ดีอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ใจนี้กำลังสู้กำลังกาลังพยายามให้ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ ดู ก, กับกิเลสตัวไหน ก, กับกิเลสยูทูบยูทูบถ้าถ้าไม่ได้ดู youtube นี่ก็คือหมดที่เป็นกิเลสที่ดูเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าไม่ได้ดูทีวีนานมากแล้วไม่ฟังเพลงแล้วมี่เหลือแค่ youtube กําลังลดลดค่ะพระอาจารย์ตอนแรกวันแรกๆยังทำได้ดีค่ะวันที่สองมือมันเป็นตึดตืดๆค่ะพระอาจารย์ <laughs> ตืดๆแล้วก็ยาวยาวเลยยาวก็เลยบอกโอเค ม, มีกิเลสบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ให้เวลาเหมือนค่อยๆลดเดี๋ยวแต่จะต้องทำให้ได้แน่นอนค่ะพระอาจารย์เออตุ้ดๆดิค่ะพยายามอย่างน้อยก็วันพระก็อยู่สักวันหนึ่งอย่างวันนี้วันพระเราเริ่มเป็นวันพระให้หมดหนึ่งเต็มวันค่ึ่งได้ค่ะวันแรกๆไปแล้วครึ่งวันที่ไม่ดูเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็อ่านธรรมะ อ่านอ่านธรรมะค่ะพระอาจารย์ก็ก็ได้ความรู้จักธรรมะเยอะแล้วก็ก็ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ละเอียดขึ้นว mm hmm. า, างใจอะไรต่างๆได้ได้ดีขึ้นมีอะไรก็ไม่ค่อยเดี๋ยวนี้เหมือนเหมือนสันโดษขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะพระอาจารย์อยู่คนเดียวสบายๆไม่ไม่ไม่ค่อยรับรู้เรื่องอะไรของใครค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่ก็มีคนมาปรึกษาแล้วก็ ก็ก็เหมือนเอาธรรมะไปช่วยประปอบเขาอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์อถ้าช่วยได้ก็ช่วยกันไปเขาเขามาขอขอคุยด้วยตอนได้เหนือเออเราไปทําอะไรเขาหรือเปล่านะปรากฏว่าเขามาคุยเรื่องเขาเหมือนเขามีความทุกข์อะไรเงี้ยค่ะเราก็ใช้ธรรมะดูเ้าน่าจะดีขึ้นค่ะก็พอช่วยได้ก็ช่วยที่เี๋ยวก็ช่วยตัวเองยังเอาไม่รอดค่ะ แต่กิดว่าสมาธิมากเลยนะนั่งสมาธิาาาาอยู่ค่ะพระอาจารย์เหมืนเหมือนพอเจอพระอาจารย์พอกลับไปก็ตีสี่ครึ่งตั้งนาฬิกาค่ะพระอาจารย์ลุกขึ้นวันนั่งสมาธิแต่ด้วยความที่ขับรถไปกลับแล้ววันพอวันหลังๆตื่นไม่ไม่ไหวเหนื่อยแต่วันักลางคืนนั่งค่ะพระอาจารย์แล้วก็ที่มือถือนูหนูเขียนว่า ห้ามที่ที่ที่ที่ซองมือถือค่ะพรอาจารย์ใช้ปากกาเมจิกเขียนที่ซองเลยว่าห้ามดูมือถือให้ห้ามดู y o u ยูทูบอุตส่าเขียนให้มันแบบว่าไม่ต้องสนใจใครเห็นนีขคงแบบอะไรของแต่เราก็แบบอ่ะเราก็ที่ที่คิ่คอมนะคะก็ติดโพสต์อิดว่าห้ามกดปุ่ม y o u ูทูบขนาดห้ามนะคะพรอาจารย์จะย่าแปะไว้อยู่ค่ะแปะไว้แปะไว้เดี๋ยวค่อยค่อยค่ะ ตอนที่กดตืดๆก็ไม่ได้มองมันค่ะพระอาจารย์ต้องมีบทลงโทษต้องเตะต่อไปนี้ถ้าไปกดปุ๊บนี่ต้องห่ากงกันเดือนโอ oh. เอาเงินไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนได้ค่พะพาอาจารย์คถ้ามีบทลงโทษมันจะได้ไม่ไม่กล้า oh. ถ้าไม่มีบทลงโทษเขียนกฎหมายไปก็ไม่มีประโยชน์กฎหมายถ้าไม่มีบทลงโทษก็ไม่ใครจะไปกลัวกฎหมายใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะถ้าเป็นมองไม่เห็นนะแต่ว่า แปะไว้ค่ะได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเซจบทลงโทษเ <laughs> บาเบาเสีย <laughs> งเ <laughs> บาเบาเบาเบาเอาไว้เอาจากเงินให้กับโรงพยาบาลไปที่ไหนไปก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเสซจบทลงโทษตัวเองไว้พยายามนั่งสมาธิอยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะมันจะมีตอนที่แบบขับรถแบบเราเวลาที่เหมือนแบบเราที่แบบ มือนต้องมีสมาธิมากๆเหมือนแบบเหมือนจะแทงเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วพอมันผ่านการแทงไปปุ๊บใจมันนับเลขค่ะพระอาจารย์ทุกครั้งเลยค่ะมันก็ 78, 79, เจ็ดสิบแปดจ็ดสิบก้แปดสิบโดยที่ไม่รู้ตัวหนูก็เอ๊ะทําทําไมแบบทําไมมันกลายเป็นเหมือนเหมือนพอมันจิตมันไม่คิดอะไรมันกลายเป็นนับเลขตอบอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันไม่พูดโธก็ได้ก็มีอะไรก็ ก็ใช้แทนกันได้นับเลขไปกันได้เหมือนเหมือนมันโผล่ขึ้นมาอัตโนมัติเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยใช้เมือนมันม า, มา ก, ก่อนนันก็ได้เออก็ก็ก็ได้เหมือนกันไดเก็นับไปเลยนะคะนับไปเลยไม่เป็นไรอือค่ะก็พยายามปฏิบัติให้ดีขึ้นไปมากขึ้ น, นเรื่อยๆค่ะพระ อ, อาจารย์เดี๋ยวจำใช้บทลงโทษตัวเองค่ะอ๋อนะี่ยเขียนป้าไว้เลยนะ กฏทีนี้ปั๊มหักร้อยจ่ายมาร้อยหนึ่งไปบริจาค ก, ก, กันทันทีไม่ใช่สิบาทแล้วค่ะพระอาจ<ม>ารย์สิบบาทมันเบาไปโทษได้ค่ะเดี๋ยวจะพักหนึ่งร้อยแล้วจะโอนไปทําบุญที่โรงพยาบาลศพค่ะอา่าที่ไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกหรือว่าจะทําบุญเอาไว้เป็นทําบุญแล้วกันนะคะพระาอาจารย์แล้วแต่อันนี้แล้วแต่นําไม่ได้ไม่เกี่ยวข้อ ง, <า>งด้วยเผื่อไว้เพื่อ อีกอื่นเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เอาให้เป็นผู้บรรจาร์จะเห็นสมควรทำบุญที่ไหนก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะพรอาจารย์ค่ะวัอาทิตย์หน้ามารายงานใหม่ค่ะโอเคพอหมดไปกี่บาทค่ะอาจารย์ค่ะไม่ใช่ค่ะใช่ว่าถ้าถูกปากแล้วต้องต้องดูบนสักสองสามชั่วโมให้ครบเลยเอาให้ครบไหนไหนก็ร้อยหนึ่งแล้ว ไม่สามารถ จ, จะพยายามตั้งใจว่าเดี๋ยวมันต้องต้องต้อ ง, องเหมือนที่เราเคยเลิกดูทีวีเลิกร้องเพลงอะไรเงี้ยเพราะปะกติหนูเคยชอบฟังเพลงทุกครั้งที่ขับรถจะต้องเปิดเพลงต่อตมันก็หายไปเลยค่ะเมื่อเราชินว่าไม่ค้างต่อไปก็คงจะเป็น y o u t u ู e ที่มันก็คงจะหายหายไปอะไรเงี้ยค่ะใช่เวาไม่ไปสนใจเป็นสักรมันก็ลืมได้เหลือชิน้นสุดไม่คิ ด, ด, ดถึงมันค่ะ แต่ช่วงที่ตช่วงที่ติมมา น, นี่เวลาคิดถึงมันต้องพยายามฝืนใจอย่ายไปทำมันค่ะได้ค่ะเดี<笑><笑>๋ยวอาทิตย์หน้ามารายงานค่ะว่าหมดกี่ร้อยโอเคได้ค่ะไปต่างสาธุค่ะคุณจูบโกเบเอชาวญี่ปุ่นเ็าเรียกประเทศเขาว่าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอย่างไงนะนี่ห้องค่ะ นิฮ่องนิฮ่องนิฮ่องใช่นิฮ่องหรือบางทีจะเรล่นนิปปงก็ได้ค่ะนิปปงเก็ได้ใช่นิฮ่องจีนนิปปงจีนเลยรอ่าแล้เวลาเขาเรียกชื่อเราเนี่ยเขาจะเรียกซันซันด้วยนะอ๋อคือควรจะมีค่ะค่อะถ้าสมมติสนิทกันเขาจะเรียกจุ๊บจังแต่ถ้าสมมุติมาไม่ไม่ไม่สนิทกันเขาก็จะเรียกชื่อนามสกุลค่ะแล้วก็เติมสังเข้าไปค่ะ อ๋อไม่ไม่เรียกชื่อแรกเรียกเอาใช้เอานามสกุลใช่ค่ะทุกคนจะเรียกชื่อนามสกุลกันค่ะพรอาจารย์ในที่ทํางานนะคะตามด้วยตามด้วยซังเลยใช่ใช่ค่ะถ้าสมมติไม่มีสั่งนี้ก็คือเหมือนเหมือนเราไม่ใช่สนิทก็คือเหมือนเหมือนเราไม่ให้ความเคารพค่ะจะเป็นการเสียมัรยาณ่ะจ้ะค่ะเอต้องมีซังติดตามต้องมีซังค่ะเหมือนครับกับขะอย่างเงี้ยเวลาพูดเนี่ ซังนี่ก็คือแปลว่าคุณนะคะคุณอ ะ, อะไรเงะะี้ยค่ะอ่าเนี่ยไม่ว่าหญิงว่าชายก็ใช้ซังเหมือนกันนะใช่ค่ะอ<ม>แต่ถ้าสนิทกันนี่ก็คืใช้จังอะไรเงี้ยค่ะจั ง, แ, งแล้วก็ใช้ชื่อแล้วถ้าสนิทกันนี่คือใช้จังหรือไม่อย่างสมมุติว่าชื่อฮะฮามาดาฮามาดายเงี้ยถ้าคนแท่าในเที่ยงมก็จะฮามาดาซังแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสนิทกัน ก็จะมาจังอย่างเงี้ยค่ะจังจังนี่แสดงว่าสนิทสนิทค่ะแต่ถ้าจะให้แบบสนิทยิ่งกว่านั้นก็คือเลี้ยงคือเล่นเลยค่ะอย่างจุ๊บจังอย่างเงี้ยค่ะจุ๊บจังค่ะมันจะเป็นแบบสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปก็คือเราฟังแล้วก็จะรู้อ้าสนิทระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะรู้ได้เวลาเขาเคารพกันเขาก็มีระดับเหมือนกันนะความกลมมากกลมน้อยนะ แต่แต่แตแตยังหนูทํางานถ้าเรียกถ้าเรียกไอ้ลูกค้าเราจะไม่ใช่ไม่ใช้คําว่าซั่งเราจะเรียกซามะนี่เงี้ยค่ะให้คำขอรัลูกค้าอย่างเงี้ยนะมันจะมันจะเป็นภาษาอีกระดับหนึ่งนะค่ะอาจารย์ <laughs> ใช้เวลาเรียน ง, ไงไานไหยก่อนจะเข้าใจนั้นค่ะพอาจารย์หนูว่าภาษา ญ, ญี่ปุ่นมันยากคะ่ะมันซับซ้อนซับซ้อนเหมือนคนนะคะคนญี่ปุ่นก็ซับซ้อน แาจารยที่สบายบื่ออะไรไหมเป็นะเห<อ><อ>มอนอไม่เชิงนะคะ่ะพอาจารย์ก็เวลาเราอยู่ที่นี่คนเขาก็ยังฟังเราออกว่าเราเป็นคนต่างชาติคะ่ะพระอาจารย์ก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เหมือนว่าเราพูดออกไปแล้วเรามีสำเนียงอะไรกับคนต่างชาติพื่ภาษาไทยไอย่างงั้นแหะคะ่ะยังไงเขาก็ฟังเราออก อ, อ้าคนนี้ต่างชาติบางทีก็คือเวลาลูกค้าม า, าก็จะอ้าบางทีเราหนูสังเกตเลย แอบมองป้ายชื่อเรานี่นะสงสัยคนจะสงสัยว่าเราเป็นที่เคาชื่ออะไรคนที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็มีมาถามท่องๆเลยเนี้ยเนี่ยสมเนียงเธอเป็นอย่างเงี้ยถามหน่อยว่าเธอบ้านเกิดที่ไหนล้ออะไรแต่ก็มีค่ะอาจารย์ส่วนการปฏิบัติก็คนไทยก็มีชาต่างชาติมาพูดภาษาไทยก็ฟังออกว่าพระธรรมเขีนพูดอย่างนึงพม่าพูดอย่างนังใช่ คื อ, อยังไงมันเราก็ไม่ได้เหมือนเขาอะค่ะบางทีหนูบางทีหนูยังคิดว่าภาษาภาษาญี่ปุ่นอะยากกว่าภาษาจีนเนี่ยค่ะพอาจารย์อืยากกว่าเยอะเลยไปอยู่มากี่ปีอะไรนี่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยค่ะไม่หนูอยู่ที่ญี่ปุ่นมากี่ปีแล้วหนูอยู่ที่ญี่ปุ่นหนูไปไปมามาค่ะพระอาจารย์ที่หนู เ, เคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังไงคะว่ า, าหนู เมื่อก่อนหนูแต่งงานแล้วก็หนูก็อยู่ไทยพออยู่ไทยซึก ป, ปุ๊บ ก, ก็มาอยู่ญี่ปุ่นประมาณได้สี่ห้าปีแล้วก็ย้ายไปอยู่ไต้หวันไปอยู่ไต้หวันประมาณหกเจ็ดปีแล้วก็ย้ายกลับมาญี่ปุ่นใหม่ก็ครั้งนี้ที่มาอยู่ญี่ปุ่นนี่ก็อา่าเขาเรียกว่าก็ตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดนะคะพรอาจารย์ก็หกปีแล้วมั้งคะ อ, อันนี้ยาวหน่อยทั้งแรกสี่ห้าปีค่ะก็คือตามสามีไปอ่ะค่ะพรอาจารย์ไม่ได้อยู่แบบตอนตอนเนี่องตลอดเวลา ใช่ค่ะแล้วพอเราไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเราพอเราไม่ไปอยู่ประเทศใหม่แล้วก็ต้องไปเรียนภาษาใหม่ใช่ไหมคะภาษาเก่าที่เราได้ได้ได้เอ้ามันก็จะลืมแล้วก็แล้วพอกลับกลับมาปุ๊บมันก็ต้องมาเหมือนมาเริ่มใหม่แล้วตอนนี้หนูเริ่มลืมภาษาจีนแล้วค่ะอาจารย์ค่ะมันของอย่างนี้มันต้องมันก็เป็นสกิลนะคะมันต้องแบบฝึกตลอดก็เหมือนสมาธิใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนกัน เหมือนการปฏิบัติแล้วมันต้องฝึกบ่อยๆมันก็จะชานาญพอเราทิ้งไปสัาพักมันก็จะลืมได้แต่มันก็ดีนะคะสกิลนี้คือไม่มีใครมาดึงไปจากเราได้อ่ะค่ะก็เหมือนสมาธิใช่ไหมคะเออเหมือนกันมันมันจะกลายเป็นนิสัยไปไงทำไปบ่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยไปการปฏิบัติของโน้ตคะมีอะไร ก็ก็ตอนก็ก็หนูก็ปฏิบัติอยู่ค่ะเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็อา่าเห็นเวทนาฝึกดูเวทนาค่ะพระอาจารย์เวทนามันเกิดเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นไมเกรนนะคะพระอาจารย์มันจะเป็นช่วงที่แบบฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงะค่ะพระอาจารย์ว่า เ, เป็นผู้หญิงมันจะมีช่วงหนึ่งที่ว่า คือใช่ใช่ใช่ค่ะก็ไม่ใช่ใบท้องก็เหมือนแบบเป็นประจําเดือนแล้วมันจะมีเป็นช่วงเวลาที่ฮอร์โมนมันผกผันใช่ไหมคะอารมณ์แปบนอารปลวนใช่แล้วมันก็จะเป็นไมเกรนแล้วที่ผ่านมานี่หนูหนูพยายามไม่ไม่ไม่ทานยาค่ะเพราะว่าจะฝึกฝึกดูว่าเออเวทนาวมมาแล้วนี่เราจะทํายังไงเนี่ยค่ะในปัญญาว่ามันเป็นของไม่แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหน้ามันไม่ได้หันตาอ้า ตอนพอดีมันปวดมันปวดมากคือไมเกรนเนี่ยมันก็คือปวดมากมากทุบๆเลยนะคะเหมือน mm hmm. หัวจะแตกเหมือนเส้นเลือดจะจะเหมือนเลือดจะออกมา mm hmm. สมองอะไรประมาณนั้นนะคะพระอาจารย mm hmm. ์ก็ฝึกก็ดูนะคะพระอาจารย์ตอนนั้นเป็ น, ปนช่วงที่เราทํางานด้วยะคะ่ะพระอาจารย์พอดีลูกค้ายังไม่มา mm hmm. ก็คื อ, อยืนยืนยืนอยู่ตรงที่ที่จุดที่เราทํางาน mm hmm. ใช่ไหมคะ uh huh. ก็ก็มันปวดหัวมากจนหนูคิด จนหนูแบบพยายามแบบเอ้าเนี่ยพระอาจารย์สอนว่าร่างกายเรามันเป็นแค่ดินน้ําลมไฟอา่าที่มันปวดอย่างนี้เพราะว่ามันธาตุมันแปลปรวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราเวทนาก็เหมือนกันเวทนาไม่ใช่เราก็คิดย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาอยู่ดีดีอยู่ดีที่มันก็ดับค่ะพระอาจารย์มันก็ไม่แปลคะ่ะหนูหนูยังตกใจจนถึงตอนนั้นตอนนั้นหนูตกใจก็คือเราหายใจ เราหายเราเรารู้ลมหายใจตัวเองนะคะพระอาจารย์แต่อยู่ดีๆก็แบบเฮ้ยทาไมทําไมทําไมมันมันไม่รู้สึกปวดใช่ไหมไม่เครียดมันไม่รู้สึกปวดอยู่ดีๆก็ไม่ใช่ค่ะมันเหมือนดับไปเลยหนูก็ยังแบบเฮ้ยนี่นี่เราก็มีสตินะนี่เรารู้ตัวอยู่นะทําไมมันอยู่ดีๆมันดับไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วสักพักหนึ่งพอเราเผลอมันก็มาอีกมันก็จะรู้สึกเจ็บอีก อย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีหลังจากนั้นนานก็คืองานมันก็ยุ่งมาลูกค้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยก็เลยไม่ได้คิดถึงตรงเนี้ยมันก็เลยไม่ไม่รู้สึกอีกพอกลับมาบ้านปรากฏว่าเวทนาที่ที่เคยเป็นที่เป็นไมเกรนอ่ะมันก็หายไปค่ะอาจารย์ mm hmm. จนวันนี้ตอนเช้าตื่นมาก็พยายามที่บอกอ่เวทนาอยากให้มันมาอีกอ่ะจะได้จะได้คอนเฟิร์มว่าที่เราทําเมื่อวานอ่ะมันมันถูกไหมอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ยังไม่ ไม่คิดเข้าข้างตัวเองอะค่ะว่าว่าอะไรที่เราทํามันถูกเปล่าค่อเราปล่อยวางมันตั้งมันก็หายไปบางทีที่มันอยู่เพราะเราไปยึดไปติดกับมันอยู่อยากจะให้มันหายยิ่งอยากมันก็ยิ่งอยู่ไปพอเราหยุดปล่อยมันมันจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปมันก็ไปเลยรก็มีค่ะมันแปลกใจมันแปลกมันแปลกมากเลยค่ะหนูอย่างหนูยังตอนนั้นหนูยังรู้สึกเลยว่าวิ ไม่น่าเชื่อมันเป็นไปไม่ได้ทํำไมอยู่ดีๆมันดับไปดับไปแบบดับไปไม่รู้สึกเลยนะคะอาจารย์ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงก็พอไม่ต้องไม่ต้องไปวิพากวิจาร์แล้วก็อย่าไปยึดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปคราวหน้าก็ดูมันมันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้การปฏิบัติบางทีมันมันแต่ละเวลาที่มันสงบหรือเวลาที่มันชนะกิเลนนี่มันจะบางทีมันไม่เหมือนกันนะทุกครั้งไป มันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะอ่อาจจะเหมือนกันก็ได้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้มันนิจจังไม่แน่นอนเราไปกำหนดมันไม่ได้เอาไปกำหนดแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เรากาหนดมันก็จะทาให้เราทุกข์ใจได้นั่นต้องเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะกันนี้อาจารย์เสงอแต่เวทนาไม่หายไปก็มี ใจเราเนื่องเฉยไม่ไม่ทุกข์กับมันก็ได้บองทีใจทั้งสงบเวทนานก็หายไปด้วยก็มีมันไม่แน่แล้วค่ะก็สําคัญก็ให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันเนะ่จนมันจะหายไม่หายไม่เปนมันมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เข้าใจไหตัวนี้ยากเข้าใจค่ะอย่างความทุกข์ใจกับทุกข์กาย ทุกกายลางทีเรากำหนดไม่ได้แต่ทุกใจนี่เราเราหยุดได้ถ้าเรามีปัญญามีสมาธิใน <c oughs> บางทีทุกกายก็ก็หยุดไปตามทุกใจด้วยก็มีบางครั้งบางบางทีก็อยู่แต่ทุกใจแต่ทุกกายยังอยู่ก็มี <c oughs> แต่ใจไม่ทุกข์กับมันสําคัญก็คือขอให้ใจเราอย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วกัน <c oughs> อาจารย์เคยสอนว่า ย, ยึดสิ่งไหนก็จะถูกกับสิ่งนั้นใช่ไหมจ้าคะใช่นอกจากธรรมะนะั้นยึดได้ธรรมะเป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้แต่ก็แต่อย่างอื่นนี้ยึดไม่ได้ โ <Okay, S 2> อเคนะพอใจเร็วค่ะพนะ อ, อใจค่ะอจาจารย์อัตมาเป็นเครื่องดับความทุกข์เรายึด ก, ก, กับยึดยึดกับธรรมะที่ใช้ดับความทุกข์ได้อัาตามาจะไม่ทําให้เราทุกข์นะแต่อย่างอย่างนี้เราเราไปยึดไม่ได้เพราะมันจะทําให้เราทุกข์เพราะมันไม่มันมันไม่เป็นเครื่องดับความทุกข์ใจ อันนี้อาจจะเข้าใจยากหน่อยก็ค่อยค่อยปฏิบัติไปค่อยดูไปก็แล้วกันเราจะพยายามค่ะพระอาจารย์เนาจะปฏิบัติบูบบชาหนูคือจริงๆหนูมีหนูมีพระอาจารย์เป็นเป็นตัวอย่างให้หนูเรียนแบบเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็หนูก็ไม่ไม่ไม่อยากไม่อยากให้ครูบาอาจารย์เสียใจอยากให้ท่านเขารู้ว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่เนี่ย ไม่ไม่ศูญเปล่าเจ้าค่ะเสียใจไม่เสียใจอาจารย์ก็ไม่ดีใจเทนั้นเองเจ้าค่ะหนึบปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะอาจารย์เราทําใจแล้วสอนไแล้วใครจะทํำก็ทำไปไม่ทําก็ช่วยไม่ได้<ต>ค่ะเรื่องเสียใจก็ไม่เสียใจเรื่องดีใจนี่อาจจะขึ้นอยู่กับว่าได้ยินว่าอาถ้าเขาได้ดิบได้ดีเราก็จะได้ดีใจไปกับเขาด้วยาานะคะนั่นแหละแต่ไม่เสียใจถ้าคุณไม่ ไม่ปฏิบัติคุณไปนอนไปกินไปดื่มไปเล่นกันเรื่องของคุณเจ๊ะค่ะปฏิบัติเพื่อตัวเราเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเราหรอกนะค่ะปฏิบัติเพื่อตัวของเราเองไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อกูบาอาจารย์กูบาอาจารย์ท่านพ้นแล้วท่านไม่มีความทุกข์กับอะไรแล้วเราจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติถ้าไม่เดือดร้อนหรอกแต่ เ, เร า, า จ, จะมีคนเดือดร้อนถ้าเราไม่ปฏิบตัติใช่ไหม เดีอดร้อนแน่นอนคานท่านอายกท่า น, นยังแบบยังคิดไม่ได้เออนอกีว่าเราปฏิบัติเพื่อตัวเราเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องการให้เราทำเพื่อปฏิบัติเพื่อตัวเราเองเพราะเราท่านรู้ว่าเราปฏิบัติเพื่อตัวเราเองท่านก็จะได้ชื่นชมยินดีมีความสุขใจตามไปด้วยนะแต่ยังไม่ปฏิบัติเพื่อท่านท่านไม่ต้องการอะไรจากเราค่ะ ับขอพะคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์สาทุค่ะคุณมาลีต่อเชิญมาลีไปถึงไหน้วหมดทุกหมดโสหมดหัวหมดใยแล้วยังอนาลาโยยังอนาลาโยยังกล้่ะค่ะหลวงพ่มันทุกมันน้อยลงไปค่ะเดีค่ะ เห็นชัดๆัดเลยจากการปฏิบัติว่าทุกต่างๆน้อยลงไปใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วก็ยังมองย้อนกลับไปว่าอ๊มาถึงตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วทำไมเราถึงไปแบกไว้นานนานนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อความาถึงตรงนี้มันเหมือนแบบเหมือนว่าอยู่ที่ความเพียรของเราปฏิบัติาามากก็จะได้มากปฏิบัติน้อยก็จะได้น้อย ่แล้วทุกวันก็ปฏิบัติทุกวันไม่ไม่ได้ขาดค่ะหลวงพ่อแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าจดจ่อระแวดระวังเพื่อเพื่อที่จะเดินไปให้ถึงนะคะหลวงพ่อใจมันจะจ่ออยู่ตรงนี้ค่ะใช่สติมันพร้อมเสมอตลอดเวลาค่ะ แล้วแล้วบางทีอย่างอย่างต้องออกไปข้างนอกอย่างนี้ยค่ะหลวงพ่อบางทีที่หนูเคยเรียนสมาธิเขาจะมาเองอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อหนูก็จะพักๆหนึ่งอย่างนี้ยค่ะหนูก็จะหยุดที่ว่าอย่างสมมติค่าแม่ไปข้างนอกอย่างนี้ค่ะหนูก็จะบอกบอกแม่ว่าเดี๋ยวขอพักหนึ่งนะอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจเวลาข้างในมันรวมอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็คือมาตลอดอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้ มันก็เป็นสุขมันไม่ต้องไปแบกไปยึดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ม, มันมันเห็นชัดเจนนะคะหลวงพ่อว่าโอ้โหมันใจมันไม่ต้องไปพุกกะอะไรมากมายอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่เหมือนมันวางมันรับได้อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเป็นทุกเกิดปั๊บพอเม็สติรู้ทันปั๊บก็ดับปุ๊บไปเลยใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อพอพอเห็นปุบเนี่ย ใจเขาจะบอกว่าไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปถือให้วางไว้ตรงนั้นแล้วมันก็จะตัดขาดทั น, นทีอย่างนางี้ค่ะไปวางแต่ว่าแล้ว ใ, <ป>ใช่ค่ะหลวงพ่อไม่ต้องทําอะไรเพราะทุกอย่างเขาเป็นใบของเขาอยู่เอน้นมันเป็นอ น, นิจจังทุกขังหน้าตาค่ะแล้วแล้วนอเรามาดูเนี่ยเออไม่ต้องไปแบบ๋มันก็จะไม่มีอะไรมาซุกอยู่ในใจเราถ้าเราตัดได้ทันทีอย่างนี้นะคะหลวงพ่อแล้ว เราเห็นเห็นอะไรเราก็จะมองไปอย่างเช่อนอย่างอย่างเวลาเรากนะินข้าวอย่างเงี้ยค่ะหงพ่อจิตมันจะคิดมันจะเห็นภาพอย่างเงี้ยข้าวเนี่ยข้าวก็ไม่เที่ยงอาหารก็ไม่เที่ยงรูปแบบเป็นแบบนี้เดี๋ยวสักพักก็จะแปลเปลี่ยนแปลสภาพไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะเห็นประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อ <mots. S 2> เห็นอะไรมันก็จะแปลแปลแปลไปแบบนี้ค่ะหล่อใช่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมานาชค่ะหลวงพ่อ แล้วใจใจมันก็จะเป็นสุกมันไม่ต้องไม่ต้องเอาอะไรมามาขังไว้ในใจอย่างเนี้ยค่ะหนุ่พ่ออย่างอย่างลูกหนูเขาเป็นเด็กพิเศษอย่างเนี้ยค่ะเขาก็จะมีอารมณ์เหวี่ยงพอเขาเหวี่ยงขึ้นมาปุ๊บจิตมันก็จะบอกว่าไม่ใส่ใจไม่ไม่ต้องเก็บมาทุกข์รู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางอย่างนี้ค่ะหนุ่พ่อแล้วจิตมันก็เป็นสุกค่ะหนุพ่อทั้งทั้งที่เขาก็เป็นในแบบของเขาอย่างนี้นค่ะหนุ่พ่อ มันเขาเป็นอย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้เราจะไปเปลี่ยนเขาได้ยังไงใช่ไหมค่ะหลวงพ่อซึ่งซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราทั้งเจ็บเราทั้งปวดในปุ๊อยู่ในใจอย่างเงี้ยฟังเขาเราตัดไม่ได้เราทําไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่พอปฏิบัติมาแล้วมันมันเห็นมันเห็นที่เราเดินมาเส้นทางเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันสุกตามที่คุบาอาจารย์สอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนของมันเป็นแบบนี้รู้ละวางรู้ละวางไม่ต้องแบ่งไม่ต้องยึดไม่ต้องอะไร ไม่ต้องเข้าไปจับทั้งสุขทั้งทุกข์ให้เราอยู่ตรงกลางใหเราวางใจได้อย่างนี้ย่ะพอมันก็จะไม่มีอะไรที่เข้ามาเบียดเบียนใจของเรให้เราเป็นทุกข์งนี้ย่ะหล ง, ง, งอจิตก็จะสบงบค่ะดีทไปต่อไปก็ไม่ต้องทำอะไรสลวก็คือถึงจุดหนึ่งก็รู้ว่าไม่มีงานอะไรต้องทำนะใช่ไหม ยังทําอยู่ก็ยังก็ยังทุกอยูいい่ก vale> ็ยังต้องทําอยู่ก็ยังแสดงก็ยังทุกอยู่ยังแบ่อยู่ถ้าไม่แบ่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรค่ะหลวงพ่อไเขาเกิดเขาดับไปอปเขาดีเขาชั่วไปค่ะหลวงพ่ออยู่อยู่ตลางๆค่ะหลวงพ่และใจไม่มใจแบบใจสบายค่ะหลวงพ่อไม่ต้องตีอะไรยม่งมาไม่ต้องเข้าไปเป็นไม่ต้องเข้าไปอินกับ ทั้งดีทั้งไม่ดียอย่างนี้ยขนงพ่ออุ้ยมันสบายดีค่ะใจจิตมันสงบมันเป็นสุข ด, ดีค่ะหลวงพ่อทุกมันลดลงค่ะสาธุแล้วแต่สักสาธุปไปเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิ น, นค่ะโอเคมีอะไรไหมไม่แล้วค่ะหลวงพ่อขอบคุณ อเป็นอย่างดีนะคนะ่กาไปที่เป็นอุตสาห์ต่อราวๆที่ว่าอันนี้อยู่ที่ไหนเจ้ากว้างเลยอยู่ที่บ้านคะ่ะพระอาจารย์อยู่ที่บ้านเน่ยน้องสาวมาแล้วเนมาทำมาค่ะอิสยาไปยังไงเนื้องอกไปถึงไหนนะ เดี๋ยวพรุ่งยังนมัสการค่ะพระอาจารย์ยังไม่มีเอาไปตรวจร่างกายแล้วค่ะแต่แต่ว่าพรุ่งนี้เราต้องไปซีทีสแกนอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะผลยังยังวิเดี๋ยวหมอต้องวินิฉัยจะผลซีทีสแกนก่อนค่ะซีทีสแกนนี่ก็ทำยไงเข้าอุโมงอ่ไม่แน่ใจค่ะว่าตอนนั้นหนูหนูไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้หนูเคยเข้าเอ็มออหรือซีทีสแกนแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเพราะ<ช>สมัย<ๆ>ก่อนเราไม่เคยเห็นพาบางคนว่าต้องเข้าเข้าเข้าอุโมงบางคนก็อะไรก็ไม่รู้<ช>ต้อ ง, งนอนเข้าเครื่องเลยค่ะแล้วก็เห็นในใบบอกในใ บ, บที่ในดราชันบอกว่าให้ฉีดคอนทราสด้วยก็ไม่รู้ฉีดอะไรยังไงเดี๋ยวก็ไปรอฉีดสีใช่ค่ะ แต่ว่าพยายามไม่ไปหาข้อมูลเพิ่มค่ะเดี๋ยวปรุงแต่งเยอะเกินไปค่ะเพราะว่าเพราะว่าหนูไม่เคยหนูไม่เคยตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจค่ะก่อนนะ้านีเรื่องปรุงแต่งล้วนเลยนะคะอาจารย์คือนักเรียนเคยเคยมาเล่าก่อนหน้านี้ด้วยความบังเอิญ น, นะคะว่าเขาไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจมา แล้วเอหนูก็ถามว่าเจ็บหรือเปล่าเด็กนักเรียนป .4 ค่ะเขาบอกว่าเจ็บหนูก็ตอนที่ไปตรวจชื่นไฟฟ้าหัวใจหนูก็นอนรอความเจ็บพุโธพุโธพุโธรอแบไม่มีอะไรเลยค่ะพระอาจารย์สงสัยนักเรียนคงกลัวไปเองค่ะพระอาจารย์เราก็แบบปรุงเราก็แบบนิดคิดว่าโอ้โหมาต้องช็อตแล้วต้องเจ็บแน่ๆเลยเอาใช้การบ้านส่วนอ่าเพิ่งไวเชื่อใครก็อย่าห่งไงอย่าเพิ่งไวเชื่อ ค่ะโหไว้โหก่อนค่ะพระอาจารย์แล้ว พ, พรุ่งนี้จะไปตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วก็กว่าจะเอคุณกว่าจะไปฟังผลนะคะวันที่สิบสามค่ะพระอาฯจาราย์นานเหมือนกันค่ะเพราะว่าคุณหมอเขาไปคุณหมอมีคิวตรวจทุกวันผลรหัสซึ่งผลมันไม่ทันนะคะเหมือนกับผลกว่าจะได้ต้องรอแล้วคุยคิวตัวจของคุณหมอแค่ครึ่งวันเช้าค่ะพระอาจาร<ส>ย์ค ทำใจทำใจคไปค่ะลวเห็นใจเห็นใจคุณหมอทุกทกคนนะเพราะเสก ง, งา น, าน ม, ามันน้อนเบื่อเหมือนทุกคนเลยเครื่อง ม, ม้าเครื่องมืออะไรก็ไม่ไม่พอเพียงนะใช่ค่ะหนูอยู่แถวแนี้ด้วยค่ะที่นราธิวาสไม่มีโรงพยาบาลเอกชนมีแตโ่โรงพยาบาลของรัฐแล้วก็มีโรงพยาบาลไม่มากค่ะมีแค่สามสาม ถ้าหมายถึงว่าโรงพยาบาลที่ผ่าตัดได้ก็น่าจะสักสองที่ค่ะหรือไม่ก็คือต้องไปที่หาดใหญ่ไปเลยค่ะโรงพยาบาลม อ, อโรงพยาบาลสงขาลานครินค่ะอาจารย์ก็ต้องรอคิวกันยาวค่ะพระอาจารย์ก็ใจเยน็นๆไปโรงพยาบาลต้อใจเย็นมันต้องรอแนานแน่ น, นอนค่ะอาจารย์โอเคมีอะไรไหมว่า ไ, ไ, ไม่มีอะไรคะ่ะอาจารย์ ทำใจอย่างเดียวนะเนื่องใจเราก็ต้องรักษาให้มันสงบอย่าไปเครียดอย่าไปทุกกับอะไระอะไรจะเกิดก็เกิดแลาห้านะมันไม่ได้นะใ จ, ใจเราไม่ต้องทุกกับมันได้ใช่ค่ะพระอาจารย์บางทีก็คิดปรุงแต่งไปว่าถ้าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆไง เอ่อมันยังรับมือไว้ค่ะแต่ว่าเป็นห่วงเอ๊ะพ่อกับแม่จะไปพ่อกับแม่จะเครียรหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็เออไปคิดแทนท่านก็ไม่ได้ไดไอก็กลับมาที่เดิมค่ะพระอาจารย์ถูกต้องเข้าใจวอ่านละคนไม่เหมือนกันเราก็ไม่รู้เขากินอย่างไรนะวันนี้ก็รู้สึกเฉยเฉยเป็นธรรมดาก็ได้บางทีเขากินไม่ได้นอนไม่หลับก็ได้แล้วแต่เขาแล้วถ้า เขากินไม่ได้นอนไม่หลับขึ้นมาแล้ค่ะก็เรื่องก็เรื่องของเขาะเราไม่ได้ไปทําให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับอ๋อค่ะกลัวคุณพ่อจะเครียดหรือกลัวแบบโอเคเรื่องของเขาแล้วมันจะไปทําให้เขาเครียดเขาเครียดเองเขาไม่เครียดก็ได้ใช่ไหมค่ะก็อย่าไปสนใจเรื่องคนอื่นยสนใจแต่เรื่องของเราก็พอสนใจว่าใจเราเครียดหรือเปล่าก็พอ นี่ไปเคยเพะเคีไปเค่ียกับเครียว ค, ความเครยดของคนอื่นนะทั้งนี่ไม่มีความจะเป็นจะต้องไปเคียดกับความเครียของคนอื่นเลยค่ะเห็นมคุณพ่อได้ถ่ายพอดีเลค่ะอางค่ะ่ะอาจารย์ได้ค่ะแบบพยายามรักษ า, า, าใจค่ะอาจารย์รใครใจมันดูแลกันเองไม่มีใครดูแลของใครได้ โอเคคุณแม่มีอะไรไหมยมขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่ทำให้ยมมารู้ว่าการอยู่กับปัจจุบันมันช่วยได้เยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ยมก็จะบอกสาำมีว่าไม่ต้องปรุงให้อยู่กับปัจจุบันอะไรจะเกิดเราก็ตั้งรับมันให้ได้แล้วก็บอกลูกว่าไม่ต้องกลัวว่าแม่กับพ่อจะทุกข์อะไรเนี่ยมันมันมันเหมือนกับว่า สิ่งที่อาจารย์สอนมาค่ะมันได้เจอเจอจริงๆค่ะว่าเราต้องอยู่กับมันอยู่กับนิ่งเพอลูกเขาพูดอะไรก็ยอมบอกว่าไม่ต้องไปปรุงมันเดี๋ยวเจอแล้วก็เราค่อยมาว่าการเราตั้งรับกันไปไปเรื่อยๆไปเป็นปลอกๆกันค่ะจะไม่คิดไปวันข้างหน้าจะไม่คิดไปข้างหน้าค่ะอาจารย์ โยมก็จะูกจะเกิดขึ้นใ่ไใช่ค่ะโยมก็จะบอกลูกไม่ต้องกังวลอะไรไม่ว่าจะเป็นยังไงไม่ต้องกังวลไม่ต้องแต่เขาเก่งนะคะเขาไม่ร้องไห้ให้พ่อแม่เห็นนะคะโยมก็รู้ว่าเขากลัวพ่อแม่จะทุกข์โยมก็รู้ค่ะอาจารย์แต่ว่าจากการที่โยมมาเจอพระอาจารย์นะคะโยมก็รู้ว่าการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ทุกข์เลยค่ะอาจารย์โยมเข้าใจแล้วค่ะว่าทุกในอริยสัจกับทุกที่ไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ่ะ ทุกที่ที่จะบอกวในอญญริยสั์มันปนเหมือนความอยากใช่ไหมคะอันนี้ที่เจอลูกเจอไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไม่เป็นห่วงเป็นห่วงค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีการปรุงเข้ามาอยู่ตรงนั้นเองเราก็จะอยู่แบบนิ่งๆไปไปเรื่อยๆค่ะแล้วโยมจะเจอข้อตอบหนักนิดนึงวันที่สิบสามต้องขับรถพาลูกไปฟังผลวันที่สิบสามช่วงเช้านะคะแล้วก็ต้องพาสามีไปเลเ ซ, เซอร์ตาที่หมอหัดใหญ่ค่ะ แล้วก็ฉีดสีอีกข้าฉีดละลายริมเลือดอีกข้างหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นโยมจะต้องเป็นเป็นคนพาลูกไปพาสามีไปหาอาจารย์โยมก็ต้องต้องนิ่งค่ะอาจารย์ <c oughs> แต่ว่าขอบพระคุณอ า, า, าจารย์ค่ะ <c oughs> โยมภูมิใจอาจารย์เราสิมีครูค่ะอาจารย์แล้วไม่เป็นหยดนมม้ํำบนใบบัวนนะอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่าไปย้อน <c oughs> อย่าไป <c oughs> <ช>ดึงมันเข้ามาในใจเรา ใช่ค่ะ <ümüz. S 2> คือยอมยมจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรลูลกไม่เป็นไรก็กลับบอกสามีว่าเธออย่าปรุงอยู่กับปัจจุบนันไม่ว่าอะไรเราก็อยู่เราเราจะไม่ปล่อยมือกันเดี๋ยวเราก็จะเป็นกําลังใจเส้นกันและกันค่ะอาจารย์อืมค่ะดูแลกั น, นด้วยความเมตตาใช่ค่ะแล้วก็ยมรู้ว่าเออเนาะไอความตื่นตระหนกความกังวลมันไม่มันไม่ได้เป็นค่ะอาจารย์มันไม่ได้เกิดขึ้นค่ะมันก็จะนิ่งๆไปแล้วก็ แล้วก็ไม่ไม่ต้องไปหาอะไรมาแค่ว่าตอนนี้ลูกกินอะไรแบบนี้ไปก่อนนะอะไรปี้หาข้อมูลเรื่องอาหารมากกว่าค่ะแต่ว่าไอาการเอ็กซเรย์เป็นยังไงฉีดยังไงไม่ต้องไปปรุงมันเดี๋ยวเราเจอเองค่ะอาจารย์เราจะรู้เองว่าต้องทํำยังไงแล้วเราจะไม่กังวลค่ะอาจารย์ <Okay. S 1> ค่ะโยมก็เจอเจ อ, เจอข้อสอบแบบทีเดียวสองคนเลยค่ะก่อนหน้านี้ก็าพาสามีไปมออคร<ม>าวนี้โยมต้องพาลูกไปแล้วก็พาสามีไปค่ะอาจารย์ ก็โชคดีที่เราเราเราทำได้ค่ะอาจารย์นี่เราไปก็ต้องทากับตัวเราเองด้วยนั่งกายของเราเหมือนกันใช่ค่ะอาจารย์โยมก็ก็ก็เข้าใจนะคะอาจารย์ว่าวันหนึ่งเราต้องเจอยังไงเราก็ต้องเจอเจออยู่แล้วค่ะแต่มันก็รู้สึกว่าจากการที่อาจารย์สอนแล้วโยมไปขึ้นเขารอบนี้เจอคำว่าทุกมาเนี่ยเรารู้ว่าอ๋อเดี๋วมันก็ดับค่ะอาจารย์มันก็เลยรู้สึกว่า อยู่ได้ค่ะอาจารย์ทําได้ค่ะยมต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะยมขอบพระคุณจริงๆค่ะอาจารย์อัฐุค่ะอาจารย์คุณหมอพาฒนากลับถึงบ้านแล้วเหรอกลับถึงแล้วค่ะวันนี้กลับถึงเร็วลรถไม่ติดเลยค่ะพระอาจารย์ก็ได้ปฏิบัติเป็นที่เพราะว่าก็ได้ที่ศรัทปรัย่ที่วัดเลยนะคะพระอาจารย์นั่นั่งหน้านาวก็ปฏิบัติทั้งสองคนแล้วก็กลับมา ก็กลับมาปรีภา ร, รกิจของพ่อเรียบร้อยนะคะก็พาไปทั้งแม่ห้องสอนไปอะไรที่คุณพ่ออยากไปเพราะว่าท่านอยากไปตอนที่อยู่ไอซู hmm. ก็พาไปเรียบร้อยแล้วภารกิจคุณพ่อก็เสร็จแล้วก็ดูท่านแข็งแรง mm hmm. ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปทําภารกิจตัวเองแล้วค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็ได้ขึ้นไปที่ที่ถ้ำาันดกคำํำช่ชงดีก็ได้เจอพระธุ ด, ดงคนะ์นท่านธุ ด, ดงค์มาจัด ก, การเดินเท้ามาท่านก็มาเทได้ฟังเป็นชั่วโมงเลยค่ะแล้วตัวเองก็เลยขึ้นไปขึ้นไปนั่งสมาธิในถา้าในถา้า ก็หัวกาันบรรยากาศดีมากเลยพระอาจารย์แล้ว ก, แวก็แล้วก็ลงมาก็รู้สึกว่ามันเริ่มแบบเขาคือแบบที่พระอาจารย์บอกเขาที่แล้วค่ะก็เลยเข้าใจว่ามันมีภา ร, ร ก, กิจที่ต้องทําตามหน้าที่ถึงแม้เป็นสมมุติแต่ว่ามันก็ต้องทําตามหน้าที่ก็ทําเรียบร้อยแหละคุณพ่อแข็งแรงเดี๋ยวไปทําของเลยเองแล้วพระอาจารย์ไปทําเต่านะคะไปสองคนกับพี่หนุ่มค่ะเลยทีนึงค่ะแล้วกลับ <Okay. S 2> มาก็อาจจะไปสำนักส่งนะเพราะว่า พระท่านบอกว่าเออลองไปดูสิท่านขวัดธรรมรังสอท่านทิการเนี่ยไม่มีเป็นป่าไม่มีน้ำไม่มีไฟอะไรอย่างเงี้ยท่านก็มาสุดงที่ที่วันหลวงปู่ ม, มั่นเหมือนกันพระอาจารย์ทัวมาชาวบ้านเราเขาบอกว่ า, ข, า, วาขึ้นไปฟังก็เลยลองขึ้นไปฟังดูค่ะเดี mm ๋ยวปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องค่ะพระอาจารย์ไม่มีรู้สึกดีนะคะไม่ไม่คือรู้สึกว่ามันยังสงบแล้วก็ดูแล้วแบบดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ เ <Okay. S 2> พระาะใจเสีย่ยงนึงนะคะแรงเยอะมากเลยเพราะนั่งสมาธิแล้วก็สินแปดทุกคืนนะค ะ, ะสามารถตัวเองขับคนเดียวนะสามารถที่จะขับแบบขึ้นเขาไปไป้ายไปมาห้องสอบอะไรเงี้ยได้เลยรู้สึกเลยว่าแบบคือจริงๆถ้าไม่ใช่คุณพ่อที่คงไม่ขับแต่ตอนนี้ขับไปได้เพราะว่ามันรู้สึกว่าอยากทําปฏิบัติภ า, ารกิจให้คุณพ่อให้เรียบร้อยให้คุณพ่อแบ บ, บสบายใจก็ได้เป็นลูกกตัญญูนะทําของคุณพ่อให้พร้อยมันก็ทําของเราเองแล้วนะคะทำของตัวเองให้ <Okay. S 2> ขอบคุณพระอาจารย์อขอบพระคุณอาการย์มากค่คุณปุ้ยรักซมเบิกถามนักการบ้าอาจารย์เออไองไงอาจารย์ได้ยินคุณปุ้ยไหมได้ยินจัดชัดเจนอืยคุณปุ้ยก็สบายดีแล ะ, และยังรักษาศีลเหมือนเดินมารายงานตัวเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือ คุณปุ้ยก็เพียรมากขึ้นเพราะว่าคุณปุ้ยใช้เวลาสองวันเต็มที่ว่าไม่ออกไปไหนเลยเในวันรู้สึกจะเป็นวันอาทิตย์กับวันอังคาระคะ่ะวันเมื่อวานนี้วันอังคารนะคะโยมก็แบบถือตินแบบสวดมนต์ลุยสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิคือตอนเช้าปกติโยมจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระก่อนแต่ว่า ไม่รู้เป็นยังไงหมู่นี้มันรู้สึกแบบว่ามันอยากจะนั่งสมาธิโดยที่ไม่ไม่รู้สึกอยากฝึกมนแบบเราก็มีนะคะเราเป็นคนธรรมดาอาจจะมีบททดสอบเข้ามาแต่ก็เอาอยู่พอาจารย์คือมันดับอารมณ์ได้ที่ว่าทําให้เรารู้สึกใช้สติมาอยู่แล้วก็อืให้เรารู้จักแก้ปัญหาได้ทันการแล้วก็ไม่เกิดเหตุใหญ่แทนที่นจะมาเป็นเหตุใหญ่มันกลับกลายเป็น เพียงทุลียค่ะแล้วก็ทำให้เราได้กลับมาสร้างบุญสร้างบา ร, รมีเหมือนเดิมเพราะว่าโยมตั้งจิตแล้วบอกกับพระอาจารย์แล้วว่าวันเดือนนี้เป็นเดือนที่ขึ้นปีที่สามที่โยมตั้งจิตอธิษฐานที่จะเดินทางธรรมจะสื่อสี่แปดแล้วโยมก็ต้องเพียรให้มากเพราะโยมจำพระอาจารย์สอนได้ว่าคนเราต้องแน่วแน่แล้วมีความเพียรไม่เหลวซ้ายแลขวา เวลา ย, ยมออกไปข้างนอกยมจะใช้ยมจะท่องอยู่เสมอว่าข้างในโยมบวชยมจะไม่เหลียวซ้ายถึงยมจะชอบการแต่งหน้าแต่ไม่ได้ว่าโยมไปแต่งเพื่อความสวยงามหรือไปลอ่ลอเสือล่อจแเ่แต่เพียงเพราะว่ายมยังอยู่ในโลกของกิเลสและปัญหายมจะยังต้องหาศรัพย์มามามามาสร้างบุญสร้างบารมีค่ะอาจารย์อืเป็นเพียงแค <Okay. S 1> ่ จะเป็นการใส่เครื่องแบบเมื่อกันไปทำงานก็ต้องมีเครื่องแบบเป็นเพียงแค่นี้จริงๆแต่ที่เหลือยมระวังมากคือทุกคืนก่อนจะนอนยมจะตวจว่ายมผิดิ่นอะไรไหมคือที่ที่ที่ผ่านมาคือยมไม่ผิดหรอกเออถ้ายมมีก็แต่งหน้าเนี่ยแหละพระอาจารย์แต่มันมีตรงตรงที่ว่าเวลามันยมเป็นไรนี่รู้เมื่อวานนี้ยมจะนั่งสมาธิแล้วอยู่ๆยมก็แบบ ปุ๊บไปเฉยๆมันทุกวันโกนเลยยมจะเป็นอย่างเงี้ยยมจะฟุ๊บไปเฉยๆพระอาจารย์แล้วพอยมตื่นขึ้นมาทีมันเหมือนการนอนมันเหมือนการฟุบอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันมีจอดําๆอะตัดลงมาแล้วไม่ไม่ไม่ในหมายถึงว่าโยมเป็นลมนะพระอาจารย์คือยมรู้สึกว่ายมต้องนอนแล้วพอนอนแล้วมันเหมือนกับการนอนสมาธิและ โยมไปไหนก็ไม่รู้โยมก็ไม่รู้โยไมยไปไหนแต่พอยมเด่นขึ้นไปทีมันก็เหมือนเหมือนเหมือนกับโยมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันมันมันเหมือนกับเราลอยลอยอ่ะอาจารย์แต่มันรู้สึกดีดีนั่นเก็ใช้ได้โยมตั้งจิตแล้วว่าโยมจะเป็นจะเดินทางธรรมแล้วก็จะช่วยเหลือพระพิสุสงฆ์เพราะยังมีพระพิสุสงฆ์โยมไปดูพระพิสุสงฆ์ ที่บ้านเราที่เป็นพระปฏิปนโนที่ยังลําบากแลก้วก็แบบเก้าสิบแปดสิบแล้วก็น่าสงสารมากเมือ่อโยมเป็นโชคดีมากเลยนะพระอาจารย์เมือ่อสี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยโยมได้ไปร่วมบุญกับพระท่านหนึ่งท่านเป็นพระทางสายเหมือนกับสายพระอาจารย์นั่นแหละที่ที่เขาไปทําตรวจทำพระพระอาจารย์เขาเรียกพระเกติใช่ไหมคะ อันนั้นแหละแล้วท่านชลามากแล้วท่านแบบเป็นหลวงปู่แล้วแต่ว่าโยมจําชื่อไม่ได้จริงๆชื่อวัดแล้วโยมจําชื่อพระไม่ได้แต่ทีนี้โยมตรวจทางอินเทอร์เน็ตแล้วโยมก็เอ่อเป็นล่อมบุญและโยมก็ไปบอกกั บ, ก, บกับท่านว่าไปบอกกับคนที่ดูแล ว, ว่าฉันอยากจะคุยกับหลวงปู่เขาก็เลยเปิดกล้องให้โยมคุยเหมือนกับได้คุยกับพระอาจารย์ค่ะโยมมีบุญมากเลยเพราะหลวงปู่ท่านน่ะ ถามว่าโยมต้องการอะไรโยมบอกโยมไม่ต้องการอะไรโยมต้องการจะมีมีทรัพเพื่อปฏิบัติธรรมท่านก็ยิ้มและมันมันมันแปลกตรงที่ว่าเราก็เห็นท่านเดินไม่ได้แต่เวลาทํำไมเวลาเราฝันเราเห็นท่านเดินได้หรือว่าโยมจิตปุงแต่งไปเองแล้วเก็บมาฝันพระอาจารย์ก็แล้วแต่มันก็รู้ไปตามความเป็นจริงแล้วกันว่ามันความฝันกับความจริงบางทีมันก็ไม่เหมือนกันค่ะ โยมก็เพียรในการนั่งสมาธิโยมก็ไม่ได้หวังว่าโยมจะไปเห็นนรกสวรรค์หรอกแต่ว่ามันมีความนิ่งมันสงบแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันทําให้โยมรู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรจะมีมีและทําให้โยมใจเย็นขึ้นค่ะโยมมากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ได้สั่งสอนโยมให้เป็นคนมเมตตา ให้เป็นคนใจเย็นลงค่ะอะสาธุจ้ะให้มีความเพียรมากขึ้นเพราะทุกครั้งที่เวลาคยมจะคีดเกลียดโยมจะนึกถึงพระอาจารย์ค่ ะ, อะขอให้สุขให้เจริญมากยิ่ ง, ง, งขึ้นไปนะค่ะโยมยังไม่ถูกหวยเลยพระอาจารย์ทางไปเรื่อยๆเล้วว่าถองโยมขออนุญาตนะข้อเดียวเองเพราะโยมไม่ได้ว่าเอาเงินอะมาเก็บโยมจะเอาเงินอนะไปช่วยคนค่ะอืม พระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงจุค่า่าสาวจุจ่ามุนาไปที่คุณนิสาต่อคนิสา l อเอน้อมกรรมนวัศสารค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะไม่มีคำถามอ๋อทย์ที่แล้วก็คุยกันถึงเรื่องกรามวสูตรใช่ไหมค่ะพระอาจารย์ ก็เข้าไปถามแชทเข้าไปถามค่ะเขาก็เขาก็ตอบค่ะแล้วก็ปกติจริงๆมันมีสิบข้อใช่ไหมคะใช่ค่เขาตอบเก้าข้อค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเขาแต่ความหมายมันก็คือเหมือนกับสิบข้อแต่เขาเขาเาน่าจะรวบข้อหนึ่งก well. ับข้อสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์ค่ะเขาก็อธิบายเหมือนวิกิพีเดียงั้นนะครับะอาจารย์แต่ลูกก็ถามเขาไปอีกว่า การใช้ ChatGPT เนี่ยก็ต้องใช้หลักกาลมสูตรด้วยใช่ไหมอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็ตอบว่าใช่เลยเ <ừ. S 2> ขาบอกว่าเขาบอกใช่เลยเพราะว่า ChatGPT เป็นเป็นเป็นข้อมูลที่ช่วยในการค้นหาแต่ว่าคุณไม่สามารถเชื่อถือได้ทั้งหมดนะคุณก็ต้องใช้หลักกาลมาสูตรวิเคราะห์แยกแย ะ, แยะว่าอันไหนมันเป็นความจริงโดยการพิสูจน์โดยใช้ปัญญาค่ะอาจารย์ เขาก็ตอบแบบนี้ค่ะพระอา จ, จารย์มันจลาดมันฉลาดค่ะพระอาจารย์แล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขามีเพิ่มเขามีบอกด้วยนะบอกว่าเวลาคุณคุณเออ่หลักกล ร, รมาสูตรเนี่ยมันเป็นหลักที่ใช้มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าจนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถใช้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาพูดแบบเนี้ยค่ ะ, <ừ. S 2> คะแล้วก็เขาบอกว่าสุดท้ายก็ล้องทุกอย่างก็ต้อง ไม่มีความงมงายให้ตัดสินใจด้วยปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราพิสูจนด้วยความจริงค่ะฮะอาจารย์ก็ใช้ได้ะคะ่ะกางทีมันก็เข้าไปเล่นแบบเพลินๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีคุยธรรมงกับฌานได้นะได้ได้ค่ะ<ม>แต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาที่ เ, าเขาพูดมามันมันมันตรงไหมอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็<ม>ต้องไปแบบแต่ส่วนใหญ่ก็เขาเอามาจากวิกิอ่ะคะ่ะพระอาจารย์ ก็อาจจะมีคําพูดบางคําพูดที่แบบบางทีเขาพูดแบบมันแปกแบบเหมือนกับเป็นเอพูดอ่ะก็จะนิดนึงะค่ะอาจานท์ก็ก็ดีค่ะผศจันทร์มาช่วยได้ตลอดเรียนๆเรียนทำไมนี้ก็สบายไม่ต้องไปค้นคว้าให้เหนื่อยเนี่ยนี่ค่ะค่ะใช้ Chat ให้ Chat GPT หามันพูดมันพูดได้ค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนแบบมีเพื่อนเี้ยมีความรู้สึกว่าเด็ก เด็กสมัยนี้น่าจะชอบคุยกับกับเอไอมากกว่าคุยกับเพื่อนนะคะพระอาจารย์นั่ดีแล้วมันจะรู้ค่ะว่าว่าแบบเหมือนมันรู้มันรู้ว่าเราเราคุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างลูกเข้าไปมันก็จะถามเลยว่าวันนี้จะคุยเรื่องพุทธศาสนาเกี่ยวกับหัวข้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์จำเราได้เลยจำเราได้ค่ะพระอาจารย์ก็ดีค่ะพระอาจารย์ แต่ยังไงมันก็มันก็ไม่ใช่เป็นทางผลถูกข์ะคะพระอาจารย์เราต้องปฏิบัติเองค่ะอาจารย์มันเป็นเครื่องมือเป็นแค่เครื่องมือคะอ่ะพระอาจารย์ต้องรู้จักใช้มันให้เกิดประโยชน์<า>เครื่องมือ น, นี้อาจจะเป็นโทษก็ได้ถ้าเราไม่มีปัญญาค่ะใช่ค่ะพระอาจารยมม์มืนมีดมืนมีดเราไปใช้รับประโยชน์ก็ได้เอาไปใช้ทําลายตัวเราหรือผู้อื่นก็ได้ค่ะพระอาจารย์อัตวังค่ะ ก็ลกก็ถามไปว่าแล้วถ okay, <c oughs> <Pe> ้าเกิดเว่าเราแบบใช้ f a c e b o o โซเชียลมีเดียอย่างอื่น YouTube อะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ฉลาดนะเขาก็ตอบบอกว่าก็เหมือนกันก็ต้องใช้หลักการมาสูตรเหมือนกันไม่รู้ด้วยนะว่าแบบเราอยู่ในหัวข้อนี้อะไรอย่เงี้ยค่ะวาสันเก่งค่ะวาสันก็ก็ถือว่ามันมีให้ใช้เป็นของฟรีก็ใช้ไปอะค่ะวาสัน ก็ไม่ยึดติดนะคะะอาจารย์ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วแบบแล้วเข้าไปในต้องเข้าไปในแอปนะคะพระอาจารย์เข้าไปไปดาวน์โหลดในแอปพลิเคชันในในค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ต้องมีแอปค่ะพรอาจารย์โอเคของฟรีก็ใช้ไปค่ะอาจารย์จะให้เสียเงินไม่เอาค่ะพอาจารย์แต่ไม่ได้ต่อไปอาจจะจําเป็นต้องใช้มันต้น เสียงไงก็ยอมเหมือนกันนะให้มันเป็นอย่างค่ะค่ะอาจารย์แต่ไม่แน่ใจว่ามันมีลิมิตหรือเปล่าอ่ลูกก็ไม่ค่อยได้เล่นนะคะอาจารย์อไ ม, อไม่ไม่ไม่ให้เราทนนองไปก่อนพอเราติดมันแล้วนะที่นี่มันก็เริ่มจะชาร์จแล้วนะค่ะอาจารย์ไม่ไม่ติดค่ะอ า, าจารย์โอเคแค่แบบแค่แบบตัวใหญ่ก็คุยเรื่องคือสน คุยเรื่องเรื่องธรรมมาค่ะพระอาจารย์อยากรู้มันลุกมากแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คุยเรื่องอื่นค่ะพระอาจารย์อืค่ะโอเคพระอาจารย์อยากให้ไปดูให้อยากอยากไปถามอะไรมันอีกไหมคะไม่ล่ะประเด็ถามพระอาจารย์อีกกวพระอาจารย์โอเค ก็ปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์ค่ะสาธุค่ะอ่ามันแ ป, ม, ป, นแป ม, มันเจอถึงแปมวันนี้ก็มาฟังธรรมเรื่องปฏิบติแม้เลยไปเจ้าค่ะลูกก็เลยมีคําถามจะถามเรื่องนี้เจ้าค่ะพอดีว่าวันนี้เป็นวันพระและลูกถือศีลแปดใช่ไหมเจ้าค่ะลูกก็ช่วงเช้าตื่นมาไหวพระสวดม น, นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรม แล้วทีนี้ลูกก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าถ้ามีโอกาสเพราะปกติลูกลูกไปเองไม่ได้ค่ะแต่วันนี้มีโอกาสได้ไปลูกก็เลยได้ไปลูกก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสได้ไปกับกับเอ่อเพียรปฏิบัติต่อที่บ้านอันไหนเอ่อควรลูกควรควรควรเลือกทางไหนลูกก็ก็เลยมีคําถามค่ะเรื่องนี้เจ้าค่ะก็ดูประโยชน์ที่เราได้รับเนี่ยเพราะประโยชน์มันอาจจะ ไม่เหมือนกันอยู่ที่บ้านเราอาจจะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอ่าที่นี่ก็ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วอาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมอ่หรือว่าบางทีเรายังไม่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเราอยู่ปฏิบัติที่บ้านอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางอันนี้ก็ต้อ ง, ต, องต้องเปรียบเทียบดูว่าของอย่างนี้มันต้องมีการทดลองดูแล้วก็เอามาบวกลบคูณหารกันดูว่าแบบไหนดีกว่ากัน ออืเจ้าค่ะดูกระิ่มันไม่มีมนมันไม่มีอะไรตายตัวบางทีอยู่บ้านอาจจะดีกว่าก็ได้บางทีมาวัดอาจจะดีกว่าก็ได้ะนะก็อยู่กับว่าเราต้องการอะไรตอนนั้นถ้าต้องการมาถามปัญหาน้องอะไรยกล้าฉันต้องมาอย่างเี้ก็ว่อยู่ที่บ้านอาจจะไม่ได้ถามก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะลูกเข้าใจแล้วเจ้าค่ะอื ลูกยังยังยังยั ง, ยงมีติดอ่คิดอยู่ว่าการปฏิบัติของลูกอย่างเช่นที่พระอาจารย์เทศว่าตื่นเช้ามาแล้วพุโทโธพทอยู่กับพุโทโธพุโทโธตลอดใช่ไหมเจ้าคะออแล้วก็อย่างก่อนนอนอย่างนี้ลูกก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็ประมาณเริ่มต้นอ่ก็จะยี่สิบนาทีถึงสี่สิบนาทีแล้วลูกคือลูกจะนอนแล้วลูก ตอบด้วยพุโทโธเลยได้ไ้ยเจ้าคะได้พุโทโธได้ทั้งวันถ้าเราไม่ได้ใช้ความคิดด้ททำอะไรครับพุโทโธพุทโธไว้เรื่อยๆได้อยู่เจ้าคะ่ะ อ, อันนั้นลูกก็ก็ทำอยู่เจ้าคะ่ะแต่ก็มีเผลอไปเยอะเหมือนกันเจ้าคะ่ะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอรู้ตัวก็ดึงกลับมาพ<ช>ุทโธเจ้า <ๆ S 2> คะ่ะไม่เป็นไรหรากใหม่ๆมันก็อย่างนี้ก็นันก็เอาพุโทโธมาคอยสร้างมันอเรื่อย ต่อไปเราก็จะมีพุโทโธมากขึ้นมากขึ้นไปเองเจ้าค่ะอยากอยากได้ให้เป็นอัตโนมัติเช้าค่ะได้ถ้าฝึกฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็เป็นอัตโนมัติเองเจ้าค่ะโอเคมีอะไรอีกไหมมีเท่านี้เจ้าค่ะกลับขอบพระคุณอาจารย์เจ้าค่ะอืขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะอย่าหยุด น, นะเจ้าค่ะลูกขอขอให้ลูกมีโอกาสได้ปฏิบัติทำขอให้ลูกได้มี มีเงินได้ไปอไปที่วัดที่บนเขาอีกเจ้าค่ะอ่ะอะาสาธุสาธุเจ้าค่ะอ่าคุณแดนอุดรธานีง่ายนับกานมัสการเจ้าค่ะรู้ไม่มีคําถามค่ะดีสบายดีเจ้าค่ะค่ะขอบคุณเจ้าค่ะค่ะคุณยินดีจ้ะคุณยินดี ยังไงบายดีคะ่ะท่านอาจารย์เข้ามากราบคะ่ะท่านอาจารย์ไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีคําถามคะ่ะแล้วก็เดวิดก่อนไปเขาออกฝากกราบท่านอาจารย์แล้วก็บอนซงเต้เหมือนเดิมคะท่อาจารย์ขอบคุณนะมอกขอบคุณมากค่ะเอาเป็นกาสลอมเสมอนะทุกประเทศไม่ลืมเลยนะไม่ลืมคะ่ะเขาก็หนูก็มันมั น, ม, นมันก็ดีอย่างอะคะ่ะก็มันมันอันนี้ก็คือเขา เขาเขาไม่เป็นคนกินเล้าเนื้อบายมกไม่มีเลยมใช่ถ้าทําไม่ทําไม่ไม่ไม่ค่ะงานอย่างเดียวทํางานอย่างเดียวค่ะก็ดีค่ะตอนนี้เข้ามาทางด้านนี้นิดหน่อยก็ก็แฟนอย่างนี้ก็สบายใจนะก็ก็สบายกันนะอาจารย์ไม่ไม่อะไรถ้าไปเจอแฟนกินเล่านี่คงจะเหนื่อยเนี่ยวันนี้มันง่วงขึ้นมาก็ก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วค่ะอาจารย์ผมไม่ได้เอาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ ป้ากับแม่ก็คงไม่ไอ้นี่เหมือนกันค่ะกม่โอเคกับป้าเขาดุค่ะค่ะเคยเลิกลิศก็เหมือนกันค่ะสมัยก่อนลิศเข้าไปแอบติดเพื่อนแล้วก็ไปแอบดูดบีป้าจับได้ป้าพัดตีสัเกือบตายค่ะท่านอาจารย์นั่นแหละตั้งแต่นั้นลิศไม่เอาเลยค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็ดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะมา ต้องเทีวยงกดคันนะถ้าปล่อยเอาไว้มันก็จะเสียคนได้นะครั้งเดียวค่ะปาตีครั้งเดียวครั้งนั้นแล้วก็ลิจจากนั้นก็เข็ดเลยเข็ดเลยเพราะว่าปาตีแบบแบบปาตีเอาตายเลยอะอาจารย์มมแม่ต้องมาฮะก็ดีอย่างลิจเขาก็ต้องใช้ไม้แข็งเนี้ยค่ะถึงเจ้าตุ่กันก็ดีเหมือนกันค่ะอาจารย์บางคนก็ต้องไม้นิ่มบางคนก็ต้องไม้แข็งใช่ไหมคะอาจารย์เนี่ เขาก็มา <Okay. S 2> แล้ววิวันพักก็เหมือนเดิมแต่ของเดวิด hmm. เขาไม่ได้สินแบกนะคะท่านอาจารย์คือเขายังเปการแบบกลับมาเพราว่าดูหนังแต่หนูก็ไม่หนูไม่เคยไปไปไปไปพูดเขานะคะท่านอาจารย์ก็อันนี้ต้องเป็นเรื่องความสลัแบบใจได้แล้วค่ะท่านอาจารย์หนูก็เลยแบบไม่นี่แต่คือเรื่องการอดอาหารเขาก็เหมือนเดิมคือเขาก็จะค่อยๆเข้ามาท่านอาจารย์ mm hmm. ก็ มานั่งสมาธินี่หนูก็สบายใจแล้วค่ะท่านอาจารย์<อ>แล้วออก็อดข้าเย็นกันแล้วหรืป่าค่ะค่ะทุกวันพระตั้งแต่เขาทำนาแล้วค่ะเรื่องอดอข้าวเ ย, นย็นเนี่ยอันเดียเขาก็ทำเข้ามาแล้วก็มาเริ่มสมาธิที่หนูบอกท่านอาจารย์นะคะที่เรียนกลับท่านอาจารย์แล้วก็ที่หน้าหนูก็ย้ายแล้วค่ะท่านอาจารย์เมื่อสุมีเขามาแพ็คของค่ะท่านอาจารย์ย้ายไปที่ไหนเรื่อตามที่หน้าเลย ค่ะเดินทางทิศเดินทางวันเนี้ยค่ะสิ้นอาทิตย์เนี้ยค่ะเสาร์อาทิตย์เนี้ยค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะขอพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงละท่านอาจารย์ อ, ยอ่าใครต่อบคุณนิสาคุณแปมอ่าคนจีบอ่าจีบต่อ ราักกันา่พัดนพาานัดัได้ยินไเจ้าคะ่ะชัดเจนอ่อเจ้าค่ะวันนี้ยมใช้ iPad ค่ะยมทำงานที่บ้านค่ะพอดีลูกสาวเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอค่ะก็ <c oughs> เล ย, ยแบบว่ามันเขาก็ไข้สูงมาสับมาสองวันติดแล้วอะค่ะไข้ไข้สูงแบบถ้าถ้าถ้าที่นี่มันก็รอยสามจุดห้าถ้าถ้าเป็นของเซลเซียสมันน่าจะเกินสามจุดเก้ามั้งค่ะ แต่ว่าคุณหมอก็คุณหมอก็บอกทําอะไรไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นไวรัสก็ต้องให้หายเองอะค่ะ<ม>ก็เลยไปโรงเรียนไม่ได้เพราะว่าคุณหมอบอกว่าห้ามไปโรงเรียนเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังมีไข่ยอยู่ก็อย่าพึ่งไปเดี๋ยวไปติดเพื่อนเนี่ยค่ะโ<ม>ยมก็เลยขอที่ทํางานทํางานที่บ้านก็เลยดีค่ะก็เลยได้ฝั่งพระอาจารย์ไปด้วยทํางานไปด้วยค่ะ<ม>ก็ วันนี้วันพระก็เลยตั้งใจว่าจะปฏิบัติบูชาครัอาจารย์ก็เหมือนที่อาจารย์บอกคุณตายเลยว่าแบบว่าเออทําบ้างนะบ้างบมางนะบ้างอะไรนะมากมากบ้างน้อยบ้างก็ขอได้ทํายมขึ้นใจะเออน้อยเอาเอาทม ท, ทําแบบว่าห้านาทีสิจะดีอาจารย์ก็กับคุณตายแบบว่าหนึ่งนาทีไปและโยมอุ้ ย, ยเหมือนกันเลยทำไม ทำไมพระอาจารย์พูดครั้งเดียวมันกระทบหลายคนละเกินมันก็กิเลสเหมือนกันเนี่ยกิเลสหลายคนคนหลายคนแต่กิเลสตัวเดียวกันนะ่ใช่ครับสะดุงเลยออ๊ย <laughs> <laughs> อะไรแบบออ๊ยพระอาจารย์มีตาทิพนี่เอง <laughs> <laughs> อ่าก็จะพยายามปฏิบัติให้มอ่อยๆ อ, อย่างน้อยก็อ เ, เอาเป็นสิบนาทีก็ได้น้อยน้อยนอนนอนสิบพันนะไม่ใช่นาทีแล้วเราบอกว่าได้ปฏิบัติแล้ว น, นะใช่ความเหมือนคุณตไต่เป๊ะเลยปิดไฟ ป, ปุ๊บเอาละตายหย่อนหยอนตายหย่อนก็เรโอ้ตายละวองคนนี้ยงเก่คุณไต่อาจจะอยู่ด้วยกันไว้ได้แก็ไม่มีอะไรค่ะสัน้สาานรักาทัขันนะคะขอให้ลูกถ่ายเร็วๆนะ สาธุค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะลูกชายและลูกสาวลูกสาวค่ะลูกชายก็โอเคอยู่ลุ้นลุ้นผลเข้าเขาอยากเป็นเมคเนียลเมคแมคคนิคอลเอนจิเนียร์ค่ะก็รอผลอยู่ก็ก็ไม่มีเราควบคุมไม่ได้ก็ไม่อยากจะเครียดแล้วลูกสาวเป็นน้องแล้วลูกสาวเป็นน้องค่ะลูกสาวเกดเกดเก้าก็ในมสามค่ะลูกชายก็ไปสมัครไปที่ไหนบ้างอะ เขาไปสมัค uh, ร Penn State เขาก็ accept แล้วนะคะ U University of Pittsburgh mm. เขาก็ accept อะค่ะแล้วมันมีอันนึงเรียกว่า RPI อะค่ะว่าอาจารย์ Rossen o e l e r อะไรสักอย่างเท Polytechnic i uh, n s t i n u t e อะคะ่ะ mm. เห็นเขาบอกว่าดีแต่มันแพงมากเลยก็ให้ทุนลูกชายยมแบบ4ปีแสนสามหนึ่งแสนสามืนแปดพันนะคะ ก็เยอะแต่ว่าพอโยงก็นึกว่าอุ๊ยสงสัยเขาให้ full scholarship แน่เลยพอเข้าไปดูในมหาลัยโอ้โหค่าเทอมปลาเข้าไปหกหมื่นกว่าเหรียญค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางค่า textbook รวมไปแล้วแปด0มื่นกว่าโยงคโอ้ตายและที่เหลือเราต้องต่อต่อต่อปีค่ะมันแพงมากเลยพ่อจานย่แสงสัยถึงมหาลัยดีแค่ไหนแต่ถ้าเราเอาตามกำลังดีกว่าว่าจบออกมาก็ ก็ไปใช้ชีวิตแล้วกันมันไม่จำเป็นต้องติด ม, มหาลาัยหลอกอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะก็เลยมอยากให้เหมือนพระอาจารย์เนี่ยค่ะเป็นเอนจิเนียร์ใช้ชีวิตสักพักหนึ่งแล้วก็ตามแบบพระอาจารย์เนี่ยอ <c oughs> เอาเอาเอาความรู้ทางเอนจิเนียร์มาใช้ทางบูธิสต์มือ <c oughs> <c oughs> สาธุค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้เขาก็กลับพระอาจารย์แล้วเขาก็ไปเรียนแล้วค่ะอสาธุค่ะสาธุค่ะคุณบัณฑิการลที่ว่ากลับนมัสการาพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการอยู่การปัจจุบันค่ะอาจารย์ก็ในเรื่องของที่ผ่านมานะคะพระอาจารย์ก็ มันก็ตุ้มปตุป้มเปในเรื่องของ ว, ว่าเราไปติดไปติดอยู่กับความอยากคัะพระอาจารย์ทำให้เราผู้ติดหนึ่งแล้วก็เลยบอกว่าพอพระอาจารย์พูดถึงว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอ๋อใช่เราพยายามไปปรุงแต่งมันเยอะพอปรุงแต่งมันเยอะความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเกิดเป็นกิเลส ข, ขึ้นมานอ่าอาจารย์ยก็ได้ต้องใช้สติคอยกลุมอยู่เรื่อย พูดโทรไป่อยๆนะก็ะคื อ, ค, อความทุกข์ทุกถามว่าทุกพอทุกขึ้นมามาถามตัวเองว่าเราทุกไปทําไมทําไมเราต้องทุกในเมือ่อมันเป็นเรื่องที่บางเรื่องเขาไม่ได้มาให้เราไปยุ่งแต่เราชอบไปยุ่งในบางเรื่องถ้าพี่ๆน้องๆก็ไปแล้วเราไปยุ่งเออใช่มันทุกใช่ก็เลยบอกว่าเออนะมัน ดีนะที่มีผ้าจารย์ที่คอยที่ให้กากับให้คำที่แน่อยู่ก็คือแบบว่าอ๋อจะได้ปเปล่าเปล่าลงบ้างไม่ก็คือว่าจะหายไหมนั้นก็คือต้องมีความเพียรคับอาจารย์ได้มันจะั้อสติเรื่อยๆแ้วจิตก็จะอยู่ปัจจุบันเองจิตมัจะนิ่งเฉยไม่คิดปรุงแต่งโอเคนะ ไม่มีคำถามโอเคไปที okay. ่คุณหมอสุทัศนีเปนไงคุณหมอสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะดันพร า, ารย์นามสกันดันพาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามค่ะไม่มีปัญหาค่ะเจ้าค่ะาดีสุขสบายดีไม่ทุกข์ไม่เครียด น, นะใช่เจ้าค่ะอ่าดีมากขอบพระคุณเจ้าค่ะอไปที่คุณปานม เมื่อวานนี้มีเพื่อนจากจากพอดเล่อนมาสองคนมาทำบุญที่วันเขาบอกเขารู้จักวัดที่เซเล่นเหมือนกั น, นแับนวัสการเจ้าค่ะอาจารย์๋ อ, อมีมาสองคนละคะหนู <c oughs> ก็ตั้งใจจะไปแต่ว่าพอดีสามีเป็นหัวใจเต้นผิดปกติก็เลยยกเลิกก็ต <c oughs> ั้งใจว่าจะไปขึ้นเขาก็ <c oughs> <c oughs> าไม่ได้ไปก็ใช้วิธีปฏิบัติ บูชาจากที่นี่เจ้าค่ะหลวงปู่เหมือนกันที่ไหนปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติไปก่อนเจ้าค่ะก็มีอช่วงเช้านี่จะปฏิบัติได้ทีมากมีวันหนึ่งเข้ามานั่งในห้องเราสามีก็มาเคาะประตูเรียกนึกว่าหนูเป็นอะไรแต่ตอนนั้นหนูเข้าสมาธิหนูรู้สึกตัวว่ามีมีเคาะประตูเรียกแล้วก็เปิดประตูเข้ามาดูแต่ว่าหนูออกไม่ได้อะค่ะหนูก็นั่งเจริญหนูก็นั่งต่อ ก็มันตอนนั้นสงบมากเจ้าค่ะก็ น, นั่งจนไม่อยากออกติดเจ้าค่ะแล้วก็ออกนั <Okay. S 2> ่งให้นานที่สุดต่อที่นานได้ ส, สมาธิไม่เสียหายตไหนแล้วก็ผ่านความเจ็บปวดได้แล้วเจ้าค่ะหลวงป่อคื อ, อต่อให้มันจะปวดจะมาหรือจะไปจะหายหรือไม่หายลูกก็สงบอยู่ตรงนั้นเจ้าค่ะอืก็ น, นั่งได้นานขึ้นเมื่อวันก่อนก็นกไปอยู่วัด หลังจากเหมือนเดิมเจ้าคะ่ะเสร็จกิจจากการถวายอาหารเพลแล้วก็ทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยที่วัดแล้วก็ปฏิบัติต่ออยู่จนหกชั่วโมงเจ้าคะ่ะปฏิบัติต่อเนื่องเจ้าคะ่ะไม่ทอ้อมีเข้ามากระทบก็มาแล้วก็วไปเจ้าคะ่ะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็น ที่ตังอยู่ในจิตเจ้าค่ะดีมากดีมากโอเคกลับรามาตการอาจารย์เจ้าค่ะอย่าสาธุอ่ะคุณฟังวันไรไม่มีคำถามครับปฏิบัติบูบชาเจ้าค่ะอาจารย์อ่าเป็นปฏิบัติคนชั้นนีแมงค้อ การอมัตยสการพระอาจารย์ค่ะไม่มีคำถามมาร่วมฟังธรรมค่ะอันนี้เป็นชื่อเล่นจริงๆหรือเปล่าซันนี่เนี่ยใช่ค่ะพระอาจารย์ชื่อเล่นซันนี่โอเค <c oughs> ดีมาที่น้องเอิ้นตาเอิ้นการอำมาตย์สการ์ค่ะพระอาจารย์นนแล้วี็พี่พี่ทุกคนมีจิตส า, ามีงานจิตส า, าอยู่บรือเปล่าตอนนี้ <c oughs> ออเอิงเ อ, อไม่ค่อยได้ทำแล้วค่ะผ่าจ่าเพราะว่ามาเรียนมาพุทเทศค่ะอ๋อใช่ <ไง S 1> ค่ะเพ่จะไปที่อินเดียนี่แหละตั้งใจว่าอยากไปแบบสายที่มีพระพุทธศาสนาค่ะอก็สังเกตศีรังกาอินเดียจีนพม่าอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อก็จะเป็นมรรคประเทศสางประเทศไม่ใช่ไม่ใช่มรรคประเทศแห่ประเทศใช่ ในประเทศก็ได้ค่ะอาจารย์ทำฟรีก็ได้ค่ะถ้าพี่พี่ยินดีอยากฟังเองอแตาก็จะพาไปตามวัดวาต่างๆนี่แล้วได้ไงใช่ค่ะตอนที่เรียนโบราณคดีก็ไปตามวัดต่างๆในประเทศไทยอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์อ ต, ตอนนี้ตอนนี้มีงานทำาะไรอย่างงานัอกประเทศตอนตอนนี้ก็รับงานโบราณคดีค่ะ ก็แบบ ท, ทําทะเบียนวัดโบราณวัตถุตามสถานที่ต่างๆค่ะทำทะเบียนให้กับใครก็อย่างเช่นงานตอนปัจจุบันนี้ก็คือทําให้ที่อยุธยาค่ะแบบบางที่บางสถานที่อะค่ะเขาค้นพบวัตถุโบราณแล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนแบบเป็นทางการนะคะเอิก็ทําหน้าที่ว่าโอเคถ่ายรูปตรวจสอบอายุแล้วก็ เราทำทะเบียนข้อมูลบันทึกไว้ค่ะว่าคนพบที่ไหนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปลงทะเบียนยกับกรมศิลปา ก, กรคะก่ะรรใช่ค่ะทำงานโดยตรงรักษาสมบัติชาติค่ะอาจารย์เป็นอาสาสมัครเหรอเอ่อทมีทาั้งงานฟรีและงานได้เงินค่ะอน่า แ, แต่ใช่ค่ะดีๆเป็นงานหนักของเราอยู่ตอนนี้ อะไนะคะเป็เงนินลของเราเลยใช่ค่ะตอนนี้แล้วก็ถ้าเรียนมาพุทธก็คือเรียนสาร์อาทิตย์ค่ะแต่ว่าเปิดเทอมเดือนมีนาคมค่ะอเออค่ะแล้วก็วันนี้ที่อยากจะถามพระอาจารย์ค่ะก็คือว่าเอองอยากให้แน่ใจนะคะว่าสูงสุดของการเป็นสมณะเพศก็คือนิพพานแล้วสูงสุดของการปฏิบัติของคารวานะคะ่ะ คือการเป็นสมณะเพศหรือเปล่าคะแล้วไปันิพานคือปัญญนิพานด้วยกันได้ทั้งทั้งเป็นสมณะเพศหรือเป็นฆราวาสก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราสามารถปฏิบัติมากแปดได้สมบูรณ์หรือเปล่าเอเอรู้สึกว่าเหมือนสุดท้ายคือในฐานนะแบบอคาวาสอะคะ่ะพอเราปฏิบัติไปได้เรื่อยอะเราเอเองรู้สึกว่าอืม บางทีมันเด<อ>ิ น, นช้ามันอยากจะไปเป็นพระมากกว่ามันจะเลวกว่าเพราะว่าบางอย่างสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่ได้เอื้อเพราะว่าเราอาจจะสวดกับค่ะสวดกระแสกับบางเรื่องอนในเพศธรรมะบางคนก็อาจจะมีบา ร, รมีเก่าเยอะเขาอาจจะไม่ต้องไปบุ่ยก็ได้เขาก็บรรลุได้เราถามเพื่อ มันไม่ไดอยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่เป็นคาราวานหรือเป็นพัดมันอยู่ที่ว่าเรามีบา ร, รมีที่จะปฏิบัติมากแปดได้หรือเปล่าค่ะได้ค่ะพระอาจารย์บางทีปฏิบัติเป็นคารวานเรารู้สึกว่ามันเนิ่นช้าเพราะมันมีอุปสรรคเยอะไปบวชมันก็จะช่วยได้ให้ไปให้ได้เร็วขึ้นก็ได้ เช่หมใช่ค่ะก็จะพยายามสร้างเหตุปัจจัยให้มาก ok. ที่สุดค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในคาราวะาอยู่ค่ะโดยต้นก็ขอให้เราได้ปฏิบัติให้ได้มากที่สุดก่อนในในสถานะของคาราวะก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราปฏิบัติได้แค่นี้แล้วถ้าเป็นคาราวาะถ้าอยากจะให้มันได้มากกว่านี้อาจจะต้องไปเป็นนักบวชก็ค่อยว่ากันอีกที่หนึง่งค่ะอาจารย์นี้เรื่องก็มาถามพอาจารย์ท่าน น, านี้ค่ะโอเคขอตัว ค, คนพิเศษสกุลนครการวั น, ออนสการพระญานครครับอไไปฏิบัติอยู่ทุกวันครับพญานก็ทําก็อครับได้ยินครับพญานก็ทําก็ครับปฏิบัติอยู่แต่ว่าก็แต่ละช่วงแต่ละช่วงก็ต้องรอเวลาให้มันให้สติเราดีขึ้นแล้วก็ เอ่อเรียกว่าปล่อยวางพละงของจิตภายนอกเข้ามาภายในแต่ละจุดแต่ละจุด น, น, นะครับพ่อจาอมแต่ก็ดีขึ้นอยู่ครับสติดีขึ้นอยู่เพราะว่าที่ดูอยู่ก็ดีขึ้นอยู่ครับอืมแต่มันจะค่อยค่อยขยับเพราะว่ามันไม่ได้รวดเร็วอย่างที่เราต้องการแต่ว่ามันก็ต้องรอเวลาครับพ่อจา์แต่ละช่วงแต่ละช่วงมัน จ, จะเป็นเหมือนการปลูกต้นไม้นะ เราไน้าที่ปลูกก็ปลูกไปแต่มันจะโตช้าตัวแล้วมันก็เป็นเรื่องของมันนะครับแต่ก็ที่พ่าาอจันวางแนวทางไว้ให้ทั้งหมดนั่นนะอ่ะก็เออก็เข้าใจแล้วล่ะครับก็เป็นแนวทางที่เอ่ถูกต้องแล้วเพราะว่าอถ้าสติเรามีกําลังมากขึ้นก็เออก็จะเห็นความคิดซ้อนความคิดตัวนั้นนะ่ะก็คือจิตเริ่มมีกําลังแล้วถ้าตรงนั้นก็เป็นจุดเรียกว่าเป็นจุดเช็คพอยตัวหนึ่งนะครับเอ่ ที่ผมเข้าใจนะเพราะว่าอพอความคิดแล้วมันเริ่มคิดไปเนี่ยถ้าเราไปทักท้วงเอาคิดอีกแล้วนี่ก็เป็นความคิดซ้อนความคิดอยู่เราต้องรู้ความคิดเราคอ่าตัวนั้นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นจิตมีกําลังแล้วตัวนั้นนะครับจิตจะเริ่มมีกําลังจิตจะเริ่มรวมลงเป็นสมาธิได้แล้วตรงนั้น่ะอืมเป็นจุดเช็คอยที่เออพะาจารย์อ่ชี้แนะไว้ตรงนั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับอาจารย์แค่นี้ครับ อ่ยครับทำทุกวันครับกราบขอพระคุณอ <Okay. S 1> าจารย์ครับอ่คุณใหม่คุณหมอใหม่ใหม่ใช่ไหมกราบนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์หมอหมอใหม่ค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 1> ก็เ อ, อปฏิบัติทุกวันค่ะพระอาจารย์ยังไม่มีคําถามค่ะแต่ว่าก็เ อ, อหนูจะนั่งสมาธิแบบ ให้สงบโดยไม่พิจารณาอะไรอะค่ะทุกวันวันละประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ระหว่างวันก็จะดูเอ่อรู้สึกตัวแล้วก็ดูผัสสะกระทบอะค่ะอาจารย์ก็รู้สึกว่าถุกน้อยลงทั้งๆ ท, ท, ที่ปัญหามันเท่าเดิมอะค่ะแต่ว่าเหมือนเหมือนใจมันมีมันมีอิสระจากทุกมากขึ้นนะคะผอาจารย์ถ้าพิจารณาทางวิญญาได้กับพิจารณาเป็นตายรักไปค่ะก็รู้สึกว่า คือมันเหมือนมันเห็นว่าบางครั้งที่เหมือนความทุกข์มันถึงใจอะค่ะแล้วมันเกิดทุกขเวทนาทางใจอะค่ะมันเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกค่ะมันเกิดจากที่ใจเรามันไปจับไปจับเองแล้วทีนี้มันก็รู้สึกขึ้นมาว่าว่าว่ามันทั้งหมดมันมันเป็นแค่กระบวนการที่แบบผัสสะกระทบ แล้วใจมันก็จะวางวางไปเองเนี้ยค่ะพาาู้อาย์โสถ้าวางได้ก็ดีถ้าวางไม่ได้ก็ใช้ไตรัทสอนใจก็ได้เพราะมันเป็นตายรั์มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าไปยุ่กับมันเนี่็จะทําให้เราทุกข์ได้ค่ะวันนี้ก็ไม่มีคําถามค่ะพู้อาจารย์ก็เพียรทุกวันค่ะดีค่ะผู้อาวุโสค่ะผาจาวุโค่ะ เป็นเพื่อนพื่อนน้องเอิญใช่ไหมใช่ค่ะเป็นรุ่นพี่น้องเอิงค่ะก็ปฏิบัติธรรมด้วยกันค่ะรู้จักกันอตอนที่เอิงช่วยงานเ อ, อวัดพระบ้านน้ําผูค่ะอืมโอเคค่ะท่านตอนนี้ยังอยู่ที่จันทบุรีอยู่นะใช่ใช่เจ้าค่ะก็ก็กหนูหนูพยายามพยายามพิจารณาความตายอยู่เนืองเนือง ตอนแรกก็คือเหมือนกับว่าทํางานเห็นคนตายเยอะแต่ว่าเหมือนใจมันชินแล้วมันไม่ได้พิจารณาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วว่าว่าแบบเอ่อเรามีความตายเป็นที่สุดรอบเลยค่ะห ล, หลีพ้นความตายไปไม่ได้นี่ค่ะอาจจะเป็นเราวันใดวันหนึ่งก็ได้นะค่ะกมม็มันมันทําให้รู้สึกว่าชีวิตมันแค่ชั่วข่าวอะค่ะพระอาจารย์แล้วมันรู้สึกว่าความความจริงที่ คือทั้งหมดที่รู้สึกอยู่มันมันคือความจริงที่รู้สึกอยู่แต่ว่ามันไอความจริงนั้นมันตั้งอยู่อย่างเดิมไม่ได้ชีวิตเราก็เช่นกันเลยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันเหมือนมันปล่อยๆพ่อแม่ก็ก็ปล่อยแบบสามีก็ก็รู้สึกว่าตัวเองปล่อยได้มากขึ้นเนี่ยค่ะอืมตัวอย่างมันเป็นของชั่วข้าวนะเหมือนฟองน้ำแล้วค่ะอาจารย์ก็ขอหนูขอกราบ ขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะที่มีมีธรรมะของพระอาจารย์เป็นที่พึ่งอะคะ่ะทุกวันที่ทํางานก็จะเปิดธรรมะของพระอาจารย์ตลอดะคะโ okay. อเคะาธุค่ะกราบพระอาจารย์ค่ะอะ่คุณซเลนตาน่ายังไงตอนนี้จิตใจมั่นคงแล้วไม่หวั่นไหวแล้วตอนพระอาจารย์เจ้าค่ะเพิ่งจะอ่านมิวอะคะ่ะหนูเหรอค ะ, อะ ไม่อยากจะบอกพระอาจารย์เลยไปดูยูทูบหนูกลับมาเป็นหนูเป็นคนเดิมแล้วค่ะดูแต่ว่าหนูไปดู y o u t u ู e เรื่องน่ากลัวน่ากลัวค่ะพระอาจารย์แล้วหนูก็ไปฝันร้ายอะค่ะไปฝันว่าอย่างเมื่อเช้าหนูฝันว่ามีคนกระโดดตึดตึกเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาแล้วเหมือนใจมันกระเทือนนะคะมันแบบในฝันมันกระเทือนเพราะด้วยความตกใจอะค่ะแล้วก็ มันเลยตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจอะค่ะแล้วหนูก็พุทโธพุทโธพุทโธแล้วความกลัวก็หายไปค่ะพระอาจารย์หนูก็แบบมันช่างเมซ z i n g มากเลยมันดีจริงๆค่ะแต่แต่หนูก็แย่ค่ะไปแอบดูเรื่องน่ากลัวน่ากลัวค่ะไม่ต้องแอ <c oughs> ดูเรื่องมีใครเขามีคนใครเขาจ้องเราอยู่เลยตัวเองรู้ไงค่ะ <c oughs> ตัวเองรู้ว่ามันไม่ควร <c oughs> <อ>จะเป็นน่ากลัวพวกคงกระดูกอะไรตะไระหนี่เนี้ยค่ะแล้วมันคง <c oughs> มาแล้วนนในขณะที่ดูเราก็รู้สึกว่าไม่เห็นหน่ากลัวเลยดูต่อไปดูต่อไปอย่างนี้ยค่ะ mm hmm. มันเลยมาติดอยู่ความฝันนะคะแล้วก็พระอาจารย์คะหนูมีที่จะไปปฏิบัติธรรมเดือนหน้าแล้วนะคะหนูดีใจมากเลยหนูไปที่วัดที่ปีที่แล้วที่หนูเคยไปแล้วไปปฏิบัติแค่สามวันนะคะแต่ว่าเบาสบาย mm hmm. หนูก็ไปเยี่ยมท่านเจ้าอาวาสที่วัดว่าเมื่อไหรท่านจะจัดอีกท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปลายเดือนหน้าท่านจะจัดอีกแล้วหนูก็ เลยบอกท่านว่าเดี๋ยวจะไปนะคะ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่รัฐไหนอยู่ที่แมริแลนด์นี่แหละค่ะแต่ว่ามันอยู่่แต่อยู่ติดติดกับทีิวะะอินเนียค่ะเป็นสายวัดป่านี่แหละคะ่ะแล้วก็หลวงตาที่วัดก็เป็นลูกศิษย์ของเป็นทางสายหลวงปู่มั่นหลวงตาเนี่ยแหละคะ่ะเ อ, อท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ ด, ดุล น, นะคะแล้วท่านว่าท่านเอ อ, อยู่วัดเดียวกันกับเอหลวงพ่อเยือนนะคะก็เลยหนูก็เลยบอกท่านว่าเดี๋ยวหนูจะไปเดี๋ยว เช่นเดือนหน้าหนูจะไปพยายามชวนจิ๊บอยู่ค่ะเขาเขายิ้มแล้ายิมนะ <laughs> หนูพยายามชวนเขาอยู่ค่ะว่าเผื่อเขาจะได้นั่งเกินวลาสิบห้านาทีด <laughs> ี <laughs> จริงๆนะคะถ้าไม่ฝึกที่บ้า น, นเ่ีนยะไปที่วัด ก, ก, ก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะ แ, แต่ที่วัด น, นี้นี่เขาให้คุยกันนะคะแล้วหนูก็พยายาม<อ>จะนะคะพยายา ม, มจะไม่คุยแต่ว่า เผือ่อแๆคนที่ข้างๆเขาก็จะหันมามองหน้าเป็นอย่างนี้ยคะ่ะเหมือนกับว่าเราคุยกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พยายามตั้งใจไม่ปฏิบัติไม่มองจตสุดท้ายแล้วก็ฝุนกระแสสังคมไม่ได้คะ่ะก็ต้องคุยกเขาแต่มันแต่แตก็แต่ก็สงบตีอะค่ะดีหนูเชื่อว่าน่าจะดีกว่ากับที่ไปปฏิบัติมาเขาที่แล้วแล้วก็พระอาจารย์คะตั้งแต่ตั้งแต่พุทธโธหนูหายไปมันก็ไม่กลับมาอีกเลยอะค่ะพระอาจารย์ หนูต้องทํายังไงอ่ะคะก็ต้องลึกบ่อยๆต้องท่องขึ้นมาในใจอืมต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปต้องต้องต้องดึงมันกลับขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องพุทโธมันก็จะไม่มาเองมันก็เลยกลายเป็นว่าอย่างสมมติตื่นเช้าขึ้นมาหนูก็ต้องมานั่งท่องทุดโธพุทโธพุทโธแต่แต่เดี๋ยวนี้เวลาที่นั่งสมาธิมันก็เลยกลายเป็นไปดูลมแทนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ท่านดูลมได้ก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้ ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ค่อยควบคุมใจแต่มันก็ยังมีความคิดที่แทรกเข้ามารเรื่อยๆคะ่ะว่าธรรมดาใหม่ๆมันก็จะมีบ้างอืมหรือถ้าเราจะถ้าคิดว่ามันจะแทรกเข้ามาดูลมไม่ไ ม, ไม่ไม่ถนัดหรือว่าไม่ไม่ได้ผลดีก็ลองกลับมาที่พุทโธก็ได้ไปส่วนบนไปก่อนก็ได้ค่ะค่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้นี่ลมกับพุทโธก็เอาอยุดเอาอยู่ค่ะแล้วสักพักนึงมันก็ ค่อยนิ่งลงอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะธรรมดาความคิดมันก็ตัง้งแทรกมาอยู่เรื่อยๆตั้เริ่มต้นใหม่ๆมเราอย่าไปให้ความสำคัญกับมันก็นแล้วกันให้อยู่กับพุโทโธไปหรือให้อยู่กับลหมหายใจไปเดย้อนความคิดมันก็จะหายไปเองค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ทําต่อไปค่ะพระอาจารย์โอเคกลับขอบพระคุณสาธุเจ้าค่ะสิ้นเดือนนี้ก็จะจัดนะที่วันสิ้นเดือนสิ้นเดือนหน้าค่ะสิ้นเดือนหน้ า, นอนนาโอค่ค สาธุนะครขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะย่าทาเถคุณปูเป้เจนกับสาธุ ค, ค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะได้ยินจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะของหนูก็ลุยเรื่อยๆเลยค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ค่ะพอดีหนูเจอทุกเยอะมากเลยค่ะคือก่อนที่จะพา กระโหกเนี่ยหนูก็ลดค่ามก่อนนะคะพระอาจารย์หนูก็เลยเอาเรื่องธรรมะม า, มาเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่หนูเจอคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนลดความเนี่ยหนูก็คือแบบมีปัญหาคือท้องแข็งแล้วก็หลังหักค่ะพระอาจารย์ในช่วงที่หนูโดนอ่าส่งตัวไปโรงพยาบาลนอนแอมบูเลต์ <c oughs> ไปอะค่ะพระอาจารย์ตอนนั้นหนูก็ลองใช้แบบวิธีการสวดอิติปิโสยาว ค, ะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยสัมผัสว่า ไม่เจ็บร่างกายมากตอนที่หนูตอนเกิดอุบัติเหตุอะค่ะพระอาจารย์พอมาตอนผ่าสมองอะค่ะตอนผ่ากะโหลกอะค่ะพระอาจารย์พยายามรักษาร่างกายอะค่ะพระอาจารย์จะได้ผ่าตัดบ่อยๆนะคะพระอาจารย์หนูก็เลยลองใช้สวดอิติปิโสที่เคยทําตอนเกิดอุบัติเหตุนะคะพระอาจ า, า, า, ะะาะะรจาย์แต่ว่าไม่สามารถใช้ได้นะคะตอนผ่ากะโหลกก็เลยหนีเข้าสมาธิคะ่ะพระอาจารย์ในช่วงผ่ากโคคะโหลกค่ะ แต่ว่าล่าสุดที่หนูปฏิบุยปฏิบัติทำต่อกับพระอาจารย์นะคะหนูก็เลยอยากรู้ว่าตอนที่สภาซ่อมเส้นประสาทเนี่ยะคะ่ะว่าหนูจะมีความปวดกับร่างกายเหมือนตอนแต่หนูไม่ได้หนีแล้วอะคะ่ะคือยอมรับสิ่งที่เกิดอะคะ่ะมันดันไม่ปวดมากนะคะพระอาจารย์แล้วก็ไม่ได้แบบหนีเข้าสมาธิเหมือนตอนพักกะโหลกอะค่ะพระอาจารย์อื mm. หนูก็เลย ได้หนูก็เลยเปรียบเทียบระหว่างทำกับความทุกข์ที่หนูเจอมาเยอะๆเนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์เพราะว่าก่อนที่หนูจะมาเป็นพยาบาลนะคะหนูก็ตรวจสุขภาพร่างกายก่อนค่ะก็ป็นปกตินะคะแต่พอเรียนจบปุ๊บหูหนูดับปั๊บเลยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยบอกว่าโอ้มีจะเจอทุกข์นะคะพระอาจารย์หนูก็เลยเอาเอาความทุกข์ที่เจอมาอ่าดูเกี่ยวกับทางทำไปด้วยนะคะพระอาจารย์ ก็เลยได้อ๋อถ้าเรายอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพระอาจารย์ก็จะไปได้แบบไปทำทำได้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยเห็นมีประโยชน์มากเลยค่ะพระอาจารย์ในการลุยปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนแรกแบบถ้าเราเชื่อแต่ตัวเราเองเนี่ยเราไม่ฟังธรรมเลยก็จะแบบเหมือนแบบ เหมือนเชื่อกิเลสอะค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยว่า อ, อกครองดีจากการฟังครูบาอาจารย์แล้วก็รู้ปฏิบัติค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยเได้ตรงนี้อแล้วต้องยึดเหนียว พ, พระพุทธรรมพระสงฆ์ไว้เป็นผู้สั่งสอนเรานะใช่ค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยยึดพระรัตตนาฏเป็นสําคัญเลยคะ่ะก็เลยส่วนตัวเป็นคารวะที่สูญเสียอวัยวะก็เลยเป็นเหมือนดีเทลในการโปรโมทนะคะพระอาจารย์ก็เลยแบบไม่ก้าไกลพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เจ้าค่ะ เดยโอเคนะสาธุตัวค่ะขอบคุณจ้าเชิญคุณเจ้าวันนี้อยู่พอนแลนท์หรือเล่าก็ไปอยู่ที่ไหนตอนนี้อ่ากลับธรรมชาติการค่ะพระอาจารย์อยู่ที่เดิมค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านเพืองค่ะมาเลี้ยงหมาให้เขาเขากลับไทยกันค่ะแล้วบ้านเราก็เปลี่ยนไม่ใช่ใชนไหมใช่บ้านหนูเป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะก็นี่เป็นบ้านเดี่ยวนะ ค่ะอันนี้เป็นบ้านเพื่อนห่างกันไปประมาณสามสิบสามสิบห้านาทีขับรถอะค่ะถ้ารถไม่ติดอยู่นอกเมืองอยู่ในเมืองอยู่เมืองเดียวอ ย, อยู่นอกเมืองค่ะตรงแาวนี้เรียกว่าบิวเวอร์ตันค่ะนะของหนูที่หนูอยู่เรียกว่าพอร์ทแลนด์ค่ะวันนี้ไม่ได้มีคำถามค่ะพอาจารย์หนูก็สภาพจิตใจกลับมาปกติแล้วค่ะจากอาทิตย์ที่แล้วที่ก็มีมีความวุ่นวายใจแล้วก็ หนูก็ทําตอนที่พ่อจย์แนะนําว่าเลิกเลิกคิดเลิกทบทวนอะไรทั้งหลายได้แล้วก็ให้เริ่มให้ลงมือปฏิบัติอะไรอย่างค่ะก็สองสามวันแรกหนูก็พยายามตั้งสติที่จะไม่นึกถึงมันก็ค่อยตามลมหายใจหรือว่าพุทโธอะไรอย่างค่ะก็แล้วมันก็ดีมากเลยค่ะคือเกิดเป็นความรู้สึกสงบแล้วก็ทําให้พอถึงเวลาที่คิดมันก็ไม่ได้คิดด้วยอารมณ์อะค่ะเหมือนใจเราสงบลงก็หนูก็มาค่อยๆพิจารณาว่า ในเหตุการณ์ของหนูมันมีส่วนที่เป็นของหนูเองที่หนูควบคุมได้แล้วก็เป็นส่วนที่อยู่ภายนอกที่หนูควบคุมไม่ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าในส่วนของเราเราทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่รู้จะคิดอะไรตอบไปทำไมถ้าในเมื่อมันก็เป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วมันก็ปร่งก็แต่หนูคิดว่าปรงได้เพราะว่าใจมันสงบอย่างเงี้ยค่ ะ, ะดีมากมีอะไรไห ไม่มีข่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็แค่นี้ทำต่อไปนะคิดให้น้อยถ้าจะากคิดคิดด้วยเหตุด้วยผลคิดคิดไปทางตายรักให้หมดเลยค่ะโอเคสาธุค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณโอเคไปที่คุณลาสถามคุณลาไม่คําถามไหมกาศนมัสการครับพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติเจ้าค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ครับ ฐานของจิตคืออะไรและทำอย่างไรให้มีฐานของจิตครับความสงบเนก็ต้องเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นเป็นหนึ่งก็จะเข้าถึงฐานของจิตมีอุเบคขาเป็นเป็นที่ตั้งเป็นของใจใจวางเฉยสักตะวะรู้ คำถามต่อไปความสงบที่เกิดจากการกําหนดเพ่งลงไปกับความสงบที่เกิดจากการใช้ปัญญาเช่นพิจารณาเวทนาความสงบที่ได้จากสองวิธีนี้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับถ้าเป็นทางปัญญามันจะหนักแน่นกว่ามันจะมั่นคงกว่ากับสติเพราะปัญญานี่มันจะทําให้ ก็กาจัดตัวกิเลสที่เป็นตัวคอยมาสร้างความวุ่นวายให้กับใจแต่ถ้าใช้สติมันก็เพียงแต่กดตัวกิเลสไว้กิเลสยังไม่ได้ถูกกาจัดแต่ถ้าถ้าถ้าสงบด้วยปัญญานี้มันจะยั่งยืนถาวรค่ะมั่นคงกว่าเวลาที่เราฝึกให้ได้ความสงบเราต้องใช้สองวิธีนี้หรือไม่ครับหรือว่าใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ครับเบือ้องต้นต้องใช้สติก่อน เพราสติมันง่ายกว่าถ้ายังไม่มีสตินี่ไปชั่งปัญญามันยากมันต้องมีสติทําใจให้สงบให้ได้ก่อนมาสติมามาตัดกําลังของกิเลสให้ให้ให้ก่อนแล้วพอกิเลสถูกตัดกําลังด้วยสติแล้วพอใช้ปัญญาพิจารณามันก็จะฆากิเลสได้ง่ายขึ้นถ้าไม่มีสติมาคอยตัดกําลังไว้ปัญญานี่จะไม่มีความสามารถพอที่จะทําให้มันตายได้ นนต้องไปทางสติก่อนสมาธิก่อนแล้พอได้สติได้สมาธิได้อุเบกขาแล้วทนี้ก็ไปทางปัญญาต่อได้ความสุดท้ายเวทนานุสติที่เกิดที่ใจเป็นความรู้สึกทางใจต่างจากธรรมานุสติที่เป็นอารมณ์ที่เกิดที่ใจอย่างไรครับคือเวทนานี้ไม่ได้อยู่ที่ใจไม่ได้ไจตาเนพูดทางอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกาย เวทนาทางใจเราไม่ได้เรียกว่าเวทนาเราเรียกว่าเป็นเป็นทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากดิเลตันหาความโลภความอยากต่างๆอันนี้เราไม่สามารถจะอธิบายได้ว่ามันแตกต่างกันยังไง ร, ระหว่างธรรมารมันนี้ต้องปฏิบัติ ด, ดูถึงแยกแยะ ก, ก, ก, กันได้เองเพราะมันเป็นเรื่องของความละเอียดที่เรายัางไม่สามารถที่จะเอามาเอามาเสนอ มันแจ้งให้ทราบได้นะต้องไปปฏิบัตินะแล้วเราก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรตคงถามหมดแล้วเจ้าค่ะโ okay. อเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจ้งนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญเจ้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอด